อธิษฐานเอาสาระเข้าตัวเองอธิษฐานเอาอัตภาพตัวเยะว์อธิเมื่อเราไม่อธิษฐานเอาโพกตสมบัติอย่นั้นไม่โพกสมบัติแต่เอาอธิษฐานเอาคนนุณสมบัตินี่เป็นสิ่งที่ถือว่าบริสุทธิ์มากถ้าเราเอาคุณนสมบัติตามคันลองนางศาสนาเนะี่ยแลวเราไม่ใจร้อนว้า อ, นนอธิษฐานปุนงนีจะเาปู่งนี้เลยปัญญาดีแต่ฐานนะเพื่อนผบดกปุ่งนี้ห่นจบปุ่งนี้แต่ฉันในปฏิบัติกับรู้ญาณมีปุ ก, กันอ 3, อ 3, อ 4, อ 4, อรอบสอรอบสามรอบสี่รอบปุ่งนี้มาเรื่นี้อย่างนี้เราก็ใจเย็นๆอธิษฐานนล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับแต่ตตถ้าอธิษฐานแล้วเกิความสําเร็จอย่างตามต้องการปัจจุบันทับนบวญในทุกๆเรื่องเนี่ยนะต้องเป็นคนที่ถึงคุณสมบัติ สมบูรณ์แล้วอย่างเราเนี่ยได้บางเรื่องบางเวลานะแล้วบางทีต้องรอเวลามันจะได้เรายกตัวอย่างว่าอะเราส่วนตัวให้บางยึดยงที่ผมท่านมาพูดทํามะทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ไดเ้เกิดขึโดยบังเอิญเกิดเขึ้นจากการอธิษฐานอธิษฐานก่อนนอนทุกวันทวันนะสวดมนต์่าว้พระตามสมาธิอธิษฐานก่อนนอนทุกวันทุวั ขออธิษฐานนะเราคงแบบนี้คุณนึกว่าจะต้องมาทำงานกันอย่างนี้อย่างที่อธิษฐานชัดเจนแล้วก็เป็นปกติก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งสามหมดมนุษย์าอาธิษฐานทิ้นะงหนึ่งสามนะเราก็แง่นึกว่าโอ้โหให้เราไปพูดห้านาทีเราก็ถ้าตยแล้วตามที่คุณไปพูดอะไรเรื่องแรกห้านาทีโอ้โหตายแล้ ว, ลว อ, ว อ, วอธิษฐานไว้นี่ ไม่ได้มีผลเมีอนในสงบ้างเลยเราไม่ว่าอย่างนั้นนะเราคุณว่คงจะต้องเอาไว้กินชานนลแ ล, ล้วล่ะดิฐานอย่างเงี้ยคุณยังมาทำอะไรไม่ได้เรพูดให้เขารู้เรื่องยังไงขนาดขึ้นไปเ้านเลยที่ตัวเองจำไม่ได้ <c oughs> พอมาถึงปีหนึ่งหกก็มีคนเข้ามาขอลองวิงวอนให้แสดงทำสอนธรรมะนะ เ, ออเราบอกยังเรายังสนุกกับการเรียนการหาความเขาบอกเขาต้องการเราก็เลยจําใจแล้วก็เลยทำเรื่อยเปื่อยมาจนถึงด้วันนี้เรากงยังเรื่อยเป่อยไปเรื่อยเลยเรื่อยย่งกว่าจะเปื่อยนะเราก็มันดูออกเกิดคงจะเกิดจากความที่เราได้ตั้งใจไว้ยอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าด้วยวันนี้อฐานอยู่ไหมเรียกฐานเลิก ปฏิฐา้กับการแหมทํามาจนเหนื่อยเลยผลขการปฏิฐานก็มาได้ปฏิฐานเลยกับอย่างอฏิฐานอย่างที่เอจะมีอยู่ในหลักของท้านที่จะได้กล่าว ต, ต่อไปนี่นะแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งดีสุดแล้วทุกคนควรจะแสตนาอย่างนี้อย่งในมุงใดแงใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่นําออกเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับหลัก ที่ทําให้ชีวิตของคนแต่ละคนเป็นชีวิตประเสริฐเวลาที่เราอาธิษฐานที่ผมเคยบอกข่าวที่แล้วว่าตอนที่เราทําจิตเป็นสมาธินี่ครับดีที่สุดเลยดีที่สุดแล้วตอนนั้นไม่มีเวลาใดโอกาสใดจะดีเท่ากับตอนนี้จริงอยู่ไหมว่าตอนที่เราจะทําบุญอธิษฐานเนี่ยตั้งจิตให้สงบโบรางเราตั้งจิตให้สงบไม่ใช่ววกววกวากันนั่งานตวดน้ำนะ มานตัวน้านั่งอธิษฐานแล้ววาวๆแบบอย่างนั้นอาจจะมีภาวะน้อยแต่ถ้าเรารู้ว like ่าทำแล้วไปบาตแล้วเข้าออกแล้วระงบจิตอธิษฐานก็ได้ไม่ได้เนี่ยเรารู้ด้วยครับมันไม่ใช่แค่เราอธิษฐานให้มันผ่านไปเรารู้ด้วยว่าสำเร็จไม่สำเร็จตามว่าอะไรบอกเราพลังสมาธิบอกเราด้วย หรือถ้ามีคนอื่นเขาจะมาบอกกระสิบตรงปลายกระสิบตอนจิตเป็นสมาธิก็ได้ช่องที่จะบอกให้เราเห็นว่าได้ไม่ได้รู้บางทีเนี่ยมีภาพมาปรากฏเลยหมายถึงว่ า, าบรรดาพระที่ท่านมีอหน้าจิตทั้งทรงพลั ง, ลงหิญญอะไรมาไงนะเราดีสามตอนนั้นดีเห็นหน้ากัานเลยเห็นนีมิต ม, มาปรากฏเลยเราก็ไปส่องแสวงหาแล้วก็ต้ไปเจบไปเจออะไรกัน อ, อย่างนี้เกิดขึ้นได้จริงๆ อธิษฐานเอาจจเป็นเรื่องจิตก็ก็ได้เหมือนกันเป็นเป็นอย่างๆมันก็จะโผอ่มามไม่ใช่เอาตัวเลขนะว่าแม้แทงมาแล้วผมก็จะขอสัญญาณเถอะทำบุญตอนเช้าอธิษฐานแล้วความจริงเนี่ยนะฮะผมผมอยากจะพูดแทรกตรง น, นี้นิดนึงว่าการอธิษฐานจะพาะจิตบางอย่างที่เราปราบโลกก็ว่าเป็นความโลกความโลกเนี่ยอถ้าว่าถึจริงๆแบบ ไม่เอาใครมาเป็นสว่างกิจขั้นเนี่ยการที่เราต้องการจะทํามาค่าขึ้นได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรก็กตามเนี่ยนะแล้วเราทําบุญอธิฐานนละ้วไม่เป็นสิ่งผิดนะมันเป็นขั้นขวาตั้งเองจริงๆแล้วเรานี่เป็นขั้นธรรมดาขั้นต่ำแต่เราบอกว่าผิดนี่ไม่ได้ทําไมล่ะเรียกว่าคนที่สว่งหาความความสำเร็จ ด, ด้วยวิธีที่เป็นบาปอันไม่ควรตําหนิด ใชไม่ใช่ความสำเร็จนั้นเราหนีไม่ได้แต่ที่มาของความสำเร็ดควรมันเกี่ย ง, งกับวิธีชักหางกระดูเขาหรือไใช้วิธีใช้เลขกระทยอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ความสำเร็จแต่ถ้าเราทําบุญปฏิฐานเพื่อความงำเร็เนี้เ่าเสวนาหาความสำเร็ดด้วยวิธีทางบุญคนวรยกย่องเยี่ยมนะ ขวางยอกยองดูว่าเรามุ่งความสําเร็จแต่ความสําเร็จที่เรามุ่งเนี่ยทําให้เราได้ทําบุญเราได้ทั้งสองอย่างและความสําเร็จที่ได้เพราะอํานาจบุญนั้นจะเป็นความสําเร็จที่อยู่ยั่งยืนแก่บุคคลผู้นั้นข้อสาคัญนะให้เรารู้ว่านี่มันเป็นความสําเร็จในระดับไหนจันเองอย่าไปนึกว่านี่สุดยอดแล้วย่างอื่นไม่เอาแล้วนอกจากเงินทองยศถาบรรดาสังอย่างอื่นไม่เอาเอาอย่างนี้อย่างเดียว อย่างนั้นก็ไม่ได้ท่านที่ควรจะได้ที่ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นเฉะนั้นในบทอธิษฐานเนี่ยเราถึงต้องเขือไว้เป็นท่านสูงขึ้นไปด้วยแล้วก็อาอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดด้วยก็คือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอธิษฐานเช่นว่าจะออกจากบ้านทีพุทธาโนภาเวนะ ทรงก็แสะจิตไปรอบบ้านเนี่ยใช้พระวุฒิเจ้าเป่าบ้านทำบ้านนุภาเวนนะสังฆานุภาเวนนะย่างนี้ถูกเลยถึงจะออกจากบ้านทีจะไปทํางานอธิษฐานว่าเราจะไปทำกิจอะไรก็แล้วแต่นะตั้งจิตตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยอหันมาตั้งหันเข้าบ้านก็พุทธทางปกป้องธรรมังรักษาหาันออกจาบ้านก็พุทธทางประสิทธิเมธำมังปฏิทธิเมสังคังปฏิทธิเมธ์ขอให้ความสาเร็จในกิจที่เราพึงจะทําในต่อไปนี้ในวันนี้ จงประสบความําเร็จทั้งแก่ตัวเราเองและบุคคลอื่นโดยเป็นส่วนรวมด้วยเถิดจะไปทํากิจอะไรก็ตามทำมาค้าขายเจราจาว่าความอใช้พระกุธเจ้าอย่างนี้นะควรตําหนี้หรือไม่ควรทาหนี้ท่านมีชาวบางยายายาอ้างเอาชื่อโจนเอาชื่อใครก็ได้มามาเกี่ยวข้องไหมล่ะครับถือว่าเป็นพุทธานนิพิ เราพระพุทธเจ้าในท่านได้ตรัสว่าเราเป็นผู้อนุคอเครหโลกทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมิกะตะและทั้งที่ทำํำที่เป็นสัมตรายิกตะตารับอย่างนี้เลยคนอืน่นกระโจพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะฉงการที่เรามีจิตใจป้วนเปี่ยนผูกพันอยู่กับพระพุทธรรมสงค์เนี่ยด้ยเรื่องต่างๆนี่เรียกว่าได้ใช้การถึงสารณะได้อย่างคุ้มค่าอย่าไปพูดรูมแย่อย่างนี้พระพุทธเจ้ากวนเหนื่อยแย่ ให้ท่านพักผ่อน้วบ้างดิไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นเรื่องของพลังศสตรร า, ารูตุจจ่าในหัวใจของเราดั้นบางคนนะแม้แต่จะบริโภคอาหารละรมเนี่ยนะก็ยังอ้างอิงถึงตุเจา้าโอ้ยแต่ยังนั้นพวกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพุตุจจ่าเวียนหัวใหญ่ดิบุก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปกลับเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนก็บางสายก็สอนเดินยองกลมแล้ว อายยกพุทเหียบโทอ้าวพระกุฎเจ้าไม่เหยียบก็ได้ยกพุเทเหยียบโทเนี่ ย, ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายท้องของู่ยังใช่พพเพราะกุฎเจ้าช่วยได้พุทธทางเป็นหมอทำ ม, มัาเป็นยาสังคังรักษาหายก็ได้เนี่ยเหมือนเป็นการมีพุธทธานุสติทำมานุสติ ในเรื่องต่างๆที่เหมาะสมแต่ไอตอนจะไปฆ่าก็ตายอยา่างนะจะไปทําบาปนี่ไม่ดีอะไรที่เป็นไปโดยทําแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายณนีเ้เมื่อเราอ้างถึงที่ตั้งหรือฐานของการอธิษฐานจิตแล้วเราก็อธิษฐานถึงสิ่งที่ต้องการแต่ในส่วนที่หนึ่งนะผมว่าตามที่ผมผมเขียนเนี่ย ด้วยอํา น, นาจแห่งกุญญาณุภาพและคุณ ญ, ญานุภาพเหล่านั้นที่ได้กล่าวถึงแล้วจงเป็นภาวะปัจจัยแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขจงฟังด้วยความสุขกายสุขใจโดยทําอยู่เป็นปกติมีโพกศัพ์อันเป็นเครื่องใจสอยไม่ขัดสนปราศจากโรคค า, าพาธพยันตร์ตรายทั้งปวง มีดวงจิตเบิกบานแจ่มใสยอยู่เป็นนิดจงเป็นผู้ไม่ติดยึดอยู่ในความสุขเหล่านั้นด้วยตัณหามานะและทิฐิจงเป็นผู้มีจิตน้อมน้อมไปเพื่อความสุขที่เสุดกว่าประนีตกวา่ายิ่งยิ่งขึ้นไปบางเรื่องนะความสุขเป็นของดีความปรารถนา ก็ทุกคนอยากพนาความสุขเหมือนกันนนั้น่ะตามฐานทางมีสุขหลายประเภทที่กินก็อยากจะกินเป็นสุขมอนก็อยากจะนอนเป็นสุขตายก็ยังอยากจะตายเป็นสุขเราก็มีความสุขที่สูงสูงขึ้นไปนี่การที่เราปราถนาความสุขเนี่ยเพื่อความรอบขอบและถือเป็นความสุขที่สมบูรณ์เพราความสุขแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นในทางหลักถือว่าเป็นเครื่องอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ความสําเร็จความสุขยิ่งยิ่งขึ้น ยังเป็นอย่างเช่นความสุขในฌานฌานที่หนึ่งความสุขในฌานที่หนึ่งเป็นที่ตั like, ้งของความสุขในฌานที่สองนะแล้วก็ความสุขในฌานทั้งหมดเป็นที่ตั้งของวิปัสนสุขวิปัสนสุขเป็นที่ตั้งของมรรคของผลมรรคผลเป็นที่ตั้งของนิพพานสุขขึ้นไปเรื่อนๆฌานแล้วก็ความสุขในฌานก็ตั้งอยู่บนปัจจัยสี <c oughs> ่ใช่ไหม การกองเรือต่างๆอยู่ที่โคลคเพราะฉะนั้นนักปราศเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านลกอยากร่ำอยากรวยบ้าร่ำบ้ารวยที่ผมเคยอ่านให้ฟังเราอีแล้วนะแต่ถนาดตัวจนนะแต่ท่านเห็นว่าในเรื่องของโคลสมบัติเนี่ยเป็นเครื่องอุปถามคุณสมบัติสมบัติมีสองนะโคลสมบัติกับคุณสมบัติ คุณสมบัติจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นแล้วก็ดำล ง, งอยู่ไม่ได้ดำล ง, งอยู่ได้ก็จะเลื่อขึ้นหน้ า, าก้าวหน้าไปอีกไม่ได้ถ้าไม่มีโาครคสมบัติอันกําหนดแต่ปัดใจสี่เป็นพื้นฐานของหลักจริงนะแม้แต่ลรนั่งฟังมาสังธรรมะถ้ายืนฟังไม่มีก็อีินะไม่มีอาคารอาศัยสังกุไม่ได้อ่ครับ ไม่ได้กินข้าวฟังธรรมะไม่ได้รวยไม่มียารักษาโรคก็ฟังธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้นั่นเรื่องของความสุขชั้นต่ําจึงเป็นที่ตั้งของวางสุขชั้นสูงขึ้นไปมีโบคะนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมองจากประวัติของท่านเวลาท่านเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีเวณมีกรรมอื่นมาแทรกนะ อดีนาทานตามเก่าไม่มาแทรกท่านจะตั้งเกิดมามีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองเพื่อเป็นเครื่องอนุเป็นเครื่องมือในการย้ายสอยทําบุญถูกไหมอันนี้เป็นธรรมดาก็ผมก็คนเนะื้อผมก็ไม่อยากจนอยากจะมีมีแต่มีเราไม่ได้คิดว่ามีเพือจะไปเทีย่ยวดูหนังดูละครไปสนุกสนานมัวเมาเอาเป็นที่คุ้ม แต่เราอยากจะมีเพื่อใช้เป็นเครื่องอนุเคราะห์อมมาจันออนุเคราะห์บุญกุศลสวยหาความสุข ด, ด้วยเอด้วยธรรมที่เป็นธรรมด้วยจิ่งเหล่านี้อ่าเล่นดูนะว่าเราไปฟังธรรมเนี่ยมาฟังธรรมต้องลงทุนนะลงไม่ลงผมก็ลงมาแล้วเมื่อเช้ามาจากปากน้ำจ่ายได้เล็กซี่อยูสองร้อย ลงตุนแล้วจะได้มาใหจะดวกเพราะมาช้าก็ไม่ไล้แล้วก็มาอย่าง ก, ก็รู้สึกว่าสุขภาพดีหน่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมือนก็โผล่รเมล์มาแต่วัานอาทิตย์ไม่ก็อะไรหรอกนะหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาหัวก็จะกระเซิงอย่างบาที่ที่จําเป็นต้องนั่งมันมันก็มีส่วนด้วยช่วย หรือถ้าเราม า, ามาอยัางมาศึกษาทำมาโปรดเจ้าแล้วก็ต้องหา อ, อุปกรณ์ใช่ไหมบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีแล้วเราซื้อมาเห็นหนังสือซื้อมาเลยหรือย่างบางคน่ชอบศึกษาแต่ไม่มีเงินซื้อหนังสือผมคัดหนังสือผมบอกเขาเป็นน้ำราชั้นสูงนะเรียนอริธรรมเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทําทานแล้วขขก็ขัดสน่ะเราก็เข้าใจเขาอ่ะ เราก็ชวนไปบ้านให้หมดเลยหนังสือปกกำหลับกาลาสูงเรื่อนี้คัมภีร์ต่างๆนะที่หมอกดก่เขาปัดทปัดฐาน แ, แล้วเราก็เจียนนั่นมีหนุ่มสั้างยังดึงปากกาอีกเล่นปากกาอย่างดีให้ไม่ใช่ปากกาด้ามาสองบาทเราก็อยากย ส, นาสนับสนุนก็ด้วยเอาบุญเขาด้วยแล้วก็มีหน้ําสร้างยังแถมกระเป๋านี่คนนี้ เ, นนเวลาก็ไปไปศึกษาธรรมะเขาเอาเอาคัมภีรใส่สูงก็จะติขิ้อ ไอ้แบบไม่ใช่ยิวแบบลกูกมีอย่างเงี่ยนะแล้วเราก็เห็นน้องแหม่ ย, ยังก็ไปจ่ายตลาดมาก็ให้กระเป๋าเขาใบใบเราก็เลยได้ได้ใบใหม่มาที่เห็นเนี่ยเห็นแดงๆอะนะเนี่ยเราก็ได้ช่วยเขาแต่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ความเจริญในธรรมความเจริญในการสึกต้องมีอุปกรณ์นะเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ แล้วก็ปรารถนาถ้าเราเอ า, าสิ่งเราเนี่ยมาซื้อด้วยการทําบุญก็เป็นความสุขใช่ไหมหรื อ, อไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราเกิดอสองสารใครแล้วก็ให้ก็ได้เต็มที่เนี่ยผมก็โชคดีนะเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งที่ว่าเมื่อมีจิตคิดปรารถนาจะช่วยเหลือไครแล้วก็ช่วยได้เต็มตามปรารถนาของตัวมีสตยากจะทําบุญก็ทําได้เต็มตั้งางตัวเนี่ยเป็นความปรารถนาแบบมาเหนือเมฆนะ คือ ค, คือพวกเปลาถนาเหลือกินเหลือใช้ให้คนอื่นแล้วยังเหลืออีกเนี่ยเราปลาถนายัางเนี่ยดีเราก็ช่วยเมื่อวานนี่วันเด็กติดไฟเราก็ทำเอาเดียวทนะครับสองรายเราก็ทำไปผมทำไปเนี่ยเ่อทำแกเด็กมันก็เป็นความสุขตามภาษาคนรักเด็กนะ ไปเจอเด็กบางทีเจอลูกบางทีก็เราไม่ได้ซื้อของกินซื้อความสุขนะย่ตัวอย่างมื่มวันซืนะมีตาแก่คนหนึ่งแกใส่ข้าแต่ท้าทางโทมนะแกยู้ไอ้ข้าเคลือบกุ้งหอนิดเดียวมาขายมีหธีหอนะแกก็มาถึงหัวยูนพรนาได้ยาวอยู่ครับจนเราลองค้านะว่าเนี่ยใครเป็นคนทํามีส่วนผสมอะไร อ, อะไร เราถามหอเท่าไรนม่ก็หอได้ห้าบาทบอกหอถึงห้าอ่ะหอถีงห้าเ้วก็ซื้อถึงม้ราไม่กินหร้กเราะเราไม่ทูกกุ้งซื้อเป็นความเงเรานจะดี๋ยวไปเจอขอทานเจอเด็กเราจะให้เอาบุญสองต่อความบุญสองต่อก็อออกมาเจอขอทานตามบอดเขากำลังเล่นดนตรีเราก็ทำบุญด้วยแล้วก็เออเห็นมีลูกมีลูกติดนมงคนนะเราก็แลยเานมะาให้เด็กป แม้มีความสุขเห็นไหมใช้เงิน ย, งยังมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการแสวงหาความสุขเรามาเรียนทำพักเปียนนักวิชเสียสามรบาทเรียนยรรา บ, ายบางคนเราก็จี้แจงคนที่เขาไ ม, า ม, า ม, าม่เข้าใจตรงนี้ควรยินดีอย่างยิ่งเลยที่เราต้องมาจับจ่ายเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสวงหาสิ่งความดีเ ข, ข้าตัวมันดีกว่าเราไป นั่งใช้เป็นค่าแท็กซี่เพื่อไปเที่ยวมันก็ใช้งานแล้วไม่ได้อะไรใช่ไหมลนะ่ะนั้นใครที่มีโอกาสทําอย่างนี้ให้ใชคิดอย่างนี้ไปสแสวงหาจะอะไรด้วยโภชัพย์เหล่านี้เพื่อให้เราจเจริญในความสุขคุมความดทั้งหลายควรจะยินดีถือว่ามีค่า ย, ยิ่งกว่าเราไปใช้เพื่ออย่างอื่นหีืบางคนบางทีคิดเหนียวในสิ่งที่ไม่ควรจะเหนียวในแง่ธรรมะอย่างว่านะ เจนไปเห็นหนังสือของอะไรหนังสือทําให้ราคาตั้งสามร้อยใช่แล้วบางคนว่างั้นนะแต่ตัวไปซื้อไอ้ของในห้างมาไม่มีเสนอราคาเลยไม่มีค่าเป็นสาลาราคาตั้งห้าหรอยไม่พูดแต่มองหนังสือทำมาราคาตั้งสามร้อยใช่เลยนะมีรูเล่มเดี๋ยวก็ไปเห็นเขาเอ็มก็คิดขึ้นคนละแบบดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ออกเนี่ย เราทําให้เราคือได้ทุกอย่างนะได้ทั้งบุญเป็นทานเป็นอะไรแต่ละอยู่ในตัวเสร็จนั้นจึงควรปว่าถนาให้อยู่บนความสำนึกอย่างนี้ให้สํานึกเหนือชั้นไม่ใช่เพื่อติดอย่างคนโลกแท้ๆไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้ายจธรรมะเขาไขว่คว้าสแสวงหากันแล้วไม่มีใครเอาไปได้เราเลืมันเอาไปได้แต่เราจะทําอะไรให้มันเกิดสาระขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ นี่เป็นสิ่งภายนอกตอนี้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เรายอมรับเลยว่าแม้รองเป็นโรคแค่เป็นหวัดนี่ยังไปพูดธรรมะไม่ได้คอเจ็บไปพูดธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่แล้วคอเจ็บแล้วไม่ได้ชฟังธรรมาไม่ได้เป็นหวัดก็มาหูยังดีอยู่ธรรมาไม่ได้ เรื่องสุขภาพนี่จริงจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเราจรึงควรปรารถนาเหมือนอย่างพระท่านให้พรว่าอายุวันนสุขบัละมีสุขภาพแข็งแรงเราจะได้ใช้กําลังกายที่มีอยู่เป็นที่เรียกว่าเป็นอุปธิสมบัติไปในการสร้างคุณงามดีขนาดความชั่วสุขภาพไปดียังทำไม่ได้จริงไหม มีเพื่อนเพื่อนบ้านก็ถามเพื่อนบ้านวอาวันเป็นไงวันนี้ที่บ้านเงียบจนไม่เห็นมีเสียงด่าเสียงบ่นเหมือนอย่างเคยอะพกเมียปวดซันเลยหยุดด่าชั่วข่าวเป็นามนีชั่วข่าวแล้วลอคิดดูการจะทําความดีเนี่ยมันต้องใช้กําลังใจกําลังกายขนาดไหนยิ่งเป็นความดีชั้นสูงนะขานาดกาลังดีๆก็จะทํากันเลย แ้่ก็ยังไม่ดีจะไปทำํำไงว่าเราต้องปรารถนารักษาไว้หายป่วยก็ขอปรารถนาหายป่วยเนี่ยบมงคนแหมเราเห็นแล้วเราก็มีอพระองค์แต่ผมเลิกเชิญไปเลยฮะเลิกนี้มันเลยมีความรู้ดีแต่สุขภาพแย่มากเชิญสามหนวมาไม่ได้สามหนทั้งที่ห่างกันเป็นเดือนนะเหตุผลที่มาไม่ได้คือ ป่วยสุขภาพไม่ดีเลยเชื่อผมว่าอย่างน้อยทุ่งห้องเรารู้จักฟังว่าท่านดีมากผมเลยไม่กล้าเชิญเชิญแล้วเราก็เสียหน้าต้องไปแก้ตัวให้คนเขาบอกว่าท่านมาไม่ได้เราก็เสียเสียหน้าเสียเราก็ไม่ได้กระเทือนใจแล้วเราก็ห่วงคนเขาอะห่วงความรู้สึกของคนที่เราต้องมาผิดหวังในสิ่งที่เราโฆษณาไหว้ว่ า, วาควรจะมาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพื่นก็ดีว่าพูดพูดก็มีความรู้ดีไม่ดีอย่างดีสุขภาพนะเนี่ยมีที่หลายหคนเป็นอย่างนี้เราบางคนเวลาไปเข้ากรรมฐานจองจองกันไว้เนี่ยเราไม่ถามดูเถอะครับบางคนมาไม่ได้ลูกป่วยยังมาไม่ได้เลยอีกคนแล้วบางคนก็บอกตัวป่วยมาไม่ได้ก็ทําให้มาไม่ได้เหมือนกันมีความจริงไปเข้ากรรมฐานไปหลายวันในป่วยก็ ไปเพืห่หายป่วยพอได้เหมือนกันนะแต่อย่าให้มันเป็นโรคที่ต้องไปติดต่อคนอื่นก็แล้วกั <c oughs> นเนี่ยในนี้ี่มีโรคโรคาราพัดและอันตรายด้วยอันตรายทั้งหลายหมายถึงอุบัติภัยต่างๆจงึงกระเจีเป็นอุปรสรรคขอให้ปรารถนา ย, ยืนไว้อ่านอกจากที่เราจะทำความปรารถนาเฉพาะหน้าเฉพาะกิจเวลาเดินทางเวลาทำการใดๆแล้ว เนี่ยถ้าสมมติว่าเร า, เราไปพูดให้พวกพนัก ง, งานอย่างใกล้ๆนี่ยเรามีที่ต้องทํางานเสี่ยงการอันตรายเราก็ต้องพูดให้ให้เขาอธิษฐานตั้งจิตตื่นสีิอย่างนี้ก่อนที่จะจับเครื่อง ม, ม้เคืองมือมาทำงานอนธิษฐานป้องกันตัวเองไว้ซึ่งเขามีวิธีเดี๋ยววันนี้มีเวลาจะลองชวนกันลองปฏิบัติอธิษฐานในแง่ต่างๆถ้านที่จะพูดได้ในโอกาสตอนสงควรนี้ด้วย ทีนี้ต่อไปก็คือลึกถ้าปลายในคําว่าในส่วนตั้งแต่ข้างนอกรับสีลธรรมถึงร่างกายมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะแล้วข้าวไปถึงดวงจิตขอให้มีดวงจิตเบิกบานแจ่มใสยอยู่เป็นปกติเป็นนิจเราเราต้องการไหมมันมองไม่เห็นนะฮะหรือเราไปอ้าง เวลาเราไปพูดถึงการแสวงหาความสุ ข, ขให้กับชีวิตเนี่ยอย่างหนึ่งเราบอกทําบุญการทําบุญใจบุญทำให้เกิดความสุขคนหนึ่งคนก็มีคนเขาถึง ท, ที่ไม่เห็นมองเห็นเลยแี่เรามีความสุขในค น, นื่นมองไม่เห็นนะมันไม่เห็นหน้าเสน่หาไม่เห็นหน้าตื่นเต้นสู้เราไปเห็นคนเขาไปกินอาหารโต๊ะใหญ่ๆมีไกย่ย่างหมูหันเต็มๆยังห น, น้าตื่นเต้นกว่าไม่ไปทําบุญมาไม่เห็นมีอะไรหน้าตื่นเต นี่เขาต้องการจะเถียงเราว่าแม้อยเอามาอ้างเงี้ยไอ้เรื่องหาความสุขการนาบุญถ้าผมก็เถียงเขาไม่ได้เถียงผมก็บอกว่าจริงนะไอ้ความสุขอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องละเอียดอะไรที่เรื่องละเอียดยิ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวนีนมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีพลังสูงมากยิ่งกว่ากินอาหารกินอาหารพอหมดคำหมดสุขใช่ไหมละ่ะกินมากจนทุกข์อีกแต่บุญเนี่ยมันสุขคาใจคลั่งใจเราตลอด กครั้งที่นึกถึงหรือยิงเป็นความสุขเข้าเส้นก็ยิงมันฉายแหววออกมาเลยมันเหมือนกับความทุกข์แหละเราก็คงจะเคยไปวางอกว่าโอ้เรื่องแค่นี้ไม่เป็่หน้ารุนใจเลยเลยมาดูถูกความทุกข์ครับใช่ไหมใช่แค่สอบตกแค่นี้แค่ลูกสอบตกแค่นี้แค่ขั้นไม่ได้เรื่องแค่นี้หรือแค่ถูกบ่นแค่นี้แค่ถูกด่าแค่นี้ แค่รถติดแค่นี้แต่ความทุกข์ของใครที่มันมองไม่เห็นอย่างเนี้ยมันเป็นของใหญ่สาหรั บ, บคนที่เขามีความทุกข์ทุกคนแหละจริงไม่จริงแต่คนอื่นเห็นเป็นของเล็กเนี่ยมันไม่เหมือนไอ้ความทุกข์ที่ไปถูกรถชนเนี่ยคนอื่นจะเห็นตื่นเต้นกงนหมดแต่ว่าไอ้ความทุกข์ทางใจความสุขทางใจลึกๆเป็นของละเอียดและใครที่สามารถจะ รักษาใจหรือบริหารใจตัวเองด้วยวิธีการใดๆซึ่งมีการอธิษฐานในอย่างหนึ่งให้เป็นคนมีจิตใจเบิกบานอยู่เป็นปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเหลือเกินและเราเห็นได้ในในสังคมนี้เป็นตัวอย่างเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะคนเข้าวัดน่ายังไม่บุกอ ย, ยู่ยอยู่เป็นปกตินะไอ้บางคนที่มันตรงกันข้ามปกติก็มีเงิน<ม>เราก็สังเกตดู หน้าบุบยุยเป็นปกติแล้วคนอย่างเนี้ยไปที่ไหนไม่มีใครก็อยากคุยด้วยนานจริงไหมไม่อยากเข้าหน้าเลยซ้ําหน้าบุบยุยมีคนไปที่ไหนก็มีคนไม่ค่อยสบายใจมีคนตั้งคนอสงกียเพราะเป็นบุคลิกอย่างนั้นไม่ใช่นา น, านดีนะยูยย์ทั้งวัน ค, คุยคุยกนสองสามอยาแล้วะยูยย์แล้วใครเกาอยากจะคุยด้วยคนแบบนี้ เป็นพาหักนำทุกข์ไปสู่บุคคลอื่นตัวเองก็ทุกข์แล้วยังนำไปสู่คนอื่นแล้วมันเป็นการเพิ่มปัญหาชีวิตใช่ไหมตัดมิตรตัดเพื่อนตัดกูผมว่าแม่แต่พระยังไม่อยากมารับบิณบาทเลยคนแบบนี้ยังไม่ได้ไปถามล่ากันดูนะ <c oughs> เขาคงไม่อยากจะใส่บาทด้วยอะไม่ใช่อะไรแลว ที่เห็นเห็นก็คือว่าไปทําคุณคนเขายังไม่อยากรับคุณเลยเชื่อไหมจริงนะจริงถ้ามนุษย์คนทำมันลักษณะเอาคุณอ่ะมันคล้ายๆอย่างนั้นทำอะไรแบบทาไปแล้วด่าไปเงี้ยใครจะใช้ให้ทำล่ะใครอยากจะให้ความช่วยเหลือล่ะเมื่อเราเราขอโดยสารรถใครเข้าไปแรับคันนาอยู่ยี่แล้วก็เปิดประตูรถเนี่ยแต่ตลอดเลยระยะเวลาที่นั่ง นะติดไฟแดงก็ด่าไฟแดงกระทบเราคนอื่นปาดหน้ากระด่าลดกันอื่นกระทบอย่างนี้มันก็แย่มันมีอะรอยากรับนคนที่มันยกในอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เป็นคนนอกวัด น, นะไม่ใช่คนในวัดแล้วเราก็เรียกว่ามองจะตายชีวิตเขาได้กว่าคนอย่างนี้ลุ้งเลือยะก็จิตใจมัเบิกบาน เถ้าเรามีจิตใจเบิกบานแหมมันมันอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอะนั่งหันไปทางไหนก็เป็นสุขมันมีความรู้สึก ข, ของแหมมันเหมือนใจเราเนี่ยมีตึงมาตอมแล้วก็กพูอปีกอยู่ในหัวใจนะมันรู้สึกอย่างนั้นก็ <c oughs> <c oughs> มีอันนี้ก็เคยคุยกับคนเนียอาจารย์ดีมาฮิโดนก็บอกเออพึ่งมันไม่ต่อ้บ้างก็แล้ว แต่ไกลยาวว่าอย่างนั้นเออไม่ช่เรงนี้คนอื่นไม่เห็นนะคนอื่นไม่เห็นเราเป็นเรื่องลึกเหมือนจะความสุขขั้นภาวนาเนี่ยก็ยิ่งลึกไปกว่า น, นั้นอีกแล้วนี่มันจึงเป็นภาวะจิตใจที่เตรียมพร้อมที่จะรองรับอะไรอะไรไม่ว่าจะไปทํางานทําอะไรก็แล้วแต่รองรับความสําเร็จทุกอย่างของชีวิตได้หมดเนี่ยวเราเราจะรู้เลย ซึ่ชีวิตเราเนี่ยบางทีพูดถึงคนห่างๆวัดเหมือนนานๆจะได้สักปีนะเจนว่าปีหนึ่งได้ไปทอบพระป่าสักปีถึงจะรู้สึกได้ทําบุญเลี้ยงพระที่บ้านสักปีถึงรู้สึกแต่มันไม่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นปกติเหมือนอย่างคนที่ใกล้ชิดธรรมะใกล้ชิดศาสนาเดี่ยถึงผมยังชอบถามคนที่ใจบุญนะ แต่ว่าเจ้าของที่นี้ยังไม่ได้ถามแต่ว่าถามแล้วคงตอบว่าเป็นไงรู้สึกเป็นสุขไหมะนะรีบถามเลยอะเป็นสุขไหมเขาถามเ้าจะต้องตอบว่ามีความสุขที่บ้านฝนหลวงนี่ยถามแล้วคุณฝนด็ตอร์นีมีใจบอกเป็นไงคือก็ชอบทาบุญใจบุญมีการแล้วก็ผมก็ถามเป็นไงดําเนินชีวิตอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นสุขไหมแล้วก็ตอบแบบยิ้มๆเป็นสุขเป็นสุขเขาไม่ได้โกหก ไอ้ที่สมถามหมายถึงสุขเป็นปกตินะไม่ใช่แบบแบบแบบเหมือนอย่างคนที่ห่างศาสนาหน่อยถึงบอกอยู่เสมอว่าความสุขเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยเราเอาชนะมันได้แล้วความสุขเราพิจิตมันได้แล้วเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยก็คือการเข้ามาใกล้ชีสศาสนาแล้วเอาธรรมะไปใจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งควรปรารถนาอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องของสุขภาพจิตไม่ต้องไปเดือดร้อนยิ่งคนมีภาระมากมากมีวิสภาค่าปัจจัยที่ทำร้ายจิตใจมากมากยิ่งตั้องยำงงปรายนาภาวะของดวงจิตในคอนี้ให้มากๆอธิษฐานให้มากๆคือในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกจิตอะไรอะไรกันเยอะการจราจรสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหากันมาก ทีนี้ในข้อที่เมื่อเราปรารถนาความสุขแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้เป็นหลักศาสนาเลยนะฮะว่าการเข้าถึงศาสนาเข้าถึงความสุขเข้าถึงคุณความเบียอะไรก็ตามเข้าถึงบัญญาตามอย่าไปเซ็มอิ่มอยู่เพียงแค่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้มากทีแ่แม้แต่เรื่องของอาการเรียบเทียบศาสนาเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง เช่นว่าบางคนได้ลาบกากาล า, ลาเป็นอานในสงและอย่าไปเต็มอิ่มแค่นั้นอย่าไปพอใจแค่นั้นอ่าได้ศีลก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขในศีลบางคนก็เต็มอิ่มแก่ก็อยู่แค่นั้นพวกเต็มอิ่มเนี่ยทั้งสองมีแต่อยู่แค่นั้นจับถอยกลับลงมามีหลอย่างว่าเต็มอิม่มมากๆค่ะตั้หามันเข้ามายึดิตีเข้ามายึดมานะเข้ามายึดทําให้คุณมาทําเนี่ยตีกลับอย่างที่ผมพูดอยู่บ่อย การเราจะต้องบอกตัวเองและเจียมตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ทุกวันนี้แม้เราจะมีความรู้สึกข้าข้างตัวเองว่าเป็นสิ่งดีที่สุดแล้วว่าเสร็จที่สุดแล้วธรรมะที่เรารู้ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราเยอะและ้วมากแล้วอันนั้นเราคิดเท่าที่ภาพในอนาจากความคิดเรามันบอกเราก็คิดอยู่แค่นั้นทําให้ใจของเราเนี่ยจมติดเมื่อจมติดความ สุขของเราก็ไม่เลื่อนชั้นไม่เลื่อนชั้นอ่านี่คือยังไงอย่างคนที่ติดความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าลองเพียงพอเต็มอิ่มอยู่แค่นั้นเขาก็มีแค่นั้นนะบางคนก็อาจจะแสวงหาความสุขมีความรู้สึกความสุขที่สุดยอดที่ควรจะเต็มอิ่มชุ่แค่ต้องเป็นเรื่องความสนุกสนานอมเมาในต่างเพศ แล้วก็อยู่แค่นั้นแล้วสำนึกของคนพุทธศาสนา จ, จะ เ, าเกิดโลกทัศน์ในทางความสุขอย่างแคบๆเหมือนอย่างสมมตรว่เราพูดว่าจาั ก, กรวาลเนี่ยพอพูดคํานี้บางคนความคิดขยายไปแค่นี้บางคนขยายออกไปได้ไลออกไปยังไม่รู้จบแต่แต่ใครจะมีความรู้ความเข้าใจแค่ไห น, นอนาณาจักรของความสุขเหมือนกัน หลายคนไม่เคยรับรู้เลยว่าความสุขที่ยิ่งกวา่าการบริโภคกรรมคือรปอนาหน้าตรงการเขาไม่เคยรับรู้เลยจริงไหมแม้ได้ยินบางคนมาพูดในฟังเขาก็ไม่เชื่อมองไม่เห็นคือโลกส่วนใหญ่นะ่ะอนณาจากความเข้าใจเรื่องนี้ยังแค่ เมื่อเขารู้จักความสุขแค่นั้นเขาก็ต้องการความสุขแค่นั้นเมื่อต้องการความสุขแค่นั้นก็ได้ความสุขแค่นั้นนะและ้วถ้ายิ่งไปติดไอ้ติดนี่มันทําให้อยู่แค่นั้นจมหลับอยู่แค่นั้นอนนมีติดของท่านมีติดด้วยตัญหาอันนี้ทําให้หยุดอยู่กที่และติดด้วยมานะตัญหามานะทําให้ยกตนข่มท่าน ไปยกตนข่มท่านในบางทีความสุขหายเสียวความสุขเสียวความเดือดร้อนถูกเบียดเบียนถูกทำลายและสิดด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นผิดว่าอันนี้เป็นยอดของความสุขอันนี้ลูอรือว่าเป็นเป็นความเห็นผิดเพราะว่าความสุขที่เหนือกว่านั้นยังมีาจริงอยู่แม้ว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่เข้าถึงเข้าใจ ว่าความสุขมันมีชั้นลึกอย่างยกตัวอย่างว่าความสุขสุดยอดคือความสุขในนิพานเราไม่รู้ความสุขในชั้นสูงสุดเราไม่รู้เราพออนุมานรู้ยิ่งลึกลึ ก, ลกไปไกลก็ล้ำลายล้ลายตาไปทุกทีแต่เรายอมรับในทางหลักการที่รู้ที่เจ้าบอกและในทางการพอจะอนุมานไปได้ตามวิสัยสามารถของเราที่มีอยู่เราอาธิษฐานให้ตัวเองไว้ได้ ว่าความสุขอะไรที่มีสูงขึ้นไปกว่านั้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นขอให้เราได้บรรลุนนความสุขขึ้นไปโดยลําดับโดยลําดับเเรามามองดูชีวิตจริงๆของเราบางคนในอายุถึงอยู่นี้แล้วรุ่นเราสมมติเราแทนเราอะใคร ร, ร, ร, รุ่นไหนก็เอาคนอื่นมาแทนเที่ยมอายุเขายังไม่เคยได้ความสุขไม่เคยรู้จักความสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ จะลินไปตามอายุของเขาเลยใช่ไหมบางคนนี่อา จ, จอายุแค่นั้นแต่ว่าเขาได้จเจริญในความสุขเกินอายุเหมือนตัวอายุเขาไปโดยลําดับโดยลําดับทีนี้เรามามองตัวเราเองบ้าเราเนี่ยเจริญในความสุขมาจนถึงอย่างที่เราถึงทุกวันนี้แต่ละคนแต่ละคนนี่ก็บอกกันไม่ได้ไป่ต้งบอกกันแล้วนะ กันมาจนถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ผ่านนะมันสารพัดแล้วความสุขอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะบางคนก็ได้มีชื่อเสียงได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตเดยวกันทั่งถูกหลวงอับลดลงมาแล้วเราก็รู้สึกว่านี้มันก็ไม่เป็นสาระนะมันมีนความรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นสาระเป็นแก่นสารในความสุขเ่านนะ้น เมื่อเขาม า, าได้พบความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตไม่ต้องอิงคนอื่นไม่ต้องอิงสิ่งอื่นเขาถึงได้เห็นอันนั้นก็มีผู้มีชัยการผู้ใหญ่บางคนพูดนะผมยกตัวอย่างรท่านหนึ่งก็ได้ที่เป็นพวกพวกเรานี่าคนตรีเลิงพลรวตรีเลิ ง, งคุฑตาวาทิด หลายคนก็จะรู้จักท่านจะรับราชการมารูปมันจะเป็นใหญ่เป็นโตสูงสุดอยู่ที่สำนัลกกรมทังหลวงเมื่อเงินไปพูดที่นั้นและเห็นรูปกันอยู่นะลองรองบวยบวยดูคนปัจจุบันนี้ท่านเป็นลองบวยจะเสียไปแล้วตั้งเคยพูดอยู่คำท่านบอกว่าแหมท่านจะเป็นเด็กวัดเด็กวัดเด็กวานะแต่ว่ามันก็เหมือนไก่เลือกกินด่างคืองไม่ได้รู้จักศาสนาอะไร แล้วก็เมื่อได้คิดว่าศาสนามีอะไรดีวิเศษอย่างที่มัเข้าใจได้อย่างปัจจุบันนี้ที่ท่านมาพูดในปัจจุบันนี้ก็ว่าท่านได้ขยบตัวเองเข้าไปสัมผัสการปฏิบัติธรรมท่านถึงพูดอย่างนี้เนี่ยเราฟังแล้เราคุนึกในใจว่านี่ท่านได้แค่นี้ท่านก็พูดอย่างนี้อีกหน่อยท่านเลื่อนลงไปกว่า น, นี้ท่านก็เริ่มพูดมากกว่า น, นี้เรื่อนลงไปกว่า น, นี้ก็เริ่พูดมากกว่า น, นี้ แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วคิดว่านี่สูงสุดแล้วเพียงพอแล้วแต่นี้ผมไม่ได้พูดท่านนะผมก็นึกฟังใครพูดล้วก็นึกวิจาร์เหมือน่านฟังผมพูดล้วก็นึกวิจารด้นก็นกก็สาสนามีเพียงเท่านี้ก็เป็นจุดหยุดเหมือนกันจุดหยุดของความคิดหยุดหยุดของความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่สาสนามีอยู่ แลเราจึงต้องปราตันาให้น้อม ข, ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าไปติดหยุดจังถามว่าขึ้นไปจนถึงเมื่อไหร่เลยถึงอย่าพอถึงับถึงเมื่อไหร่ถึงพอถึงตาลมังสุขขังอะไรอะบาลมังสุขขังนิพพานังบารมังสุขขังนั่นแหะถึงจะเป็นจุดเพียงพอโดยที่เราไม่ต้องพอ ถึงจุดนั้นก็เป็นนันว่าถึงประโยนสารของการบรรลุความสุขในพระพุทธศาสนาไม่มียิ่งกว่าว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วนะไม่มียิ่งกว่านี้แต่ถ้าถอยลงไปกว่านั้นแล้วก็มียิ่งยิ่งขึ้นท่านไม่รับโดยฐานะที่เป็นความสุขสุดยอดเอาล่ะครับเราก็เลยไปถึงอการปฏินาข้อทีสองในบทเขียนนี้ก็เขียน นว่าด้วยอำนาจแห่งบุญญาภาพและกุณุภาพเหล่านั้นที่ได้อ้างในเบื้องต้นนะจงเป็นเพราะว่าปัจจัยกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าจงมีความดีถึงพร้อมด้วยคุณความดีอันเหมาะสมตามควรแก่ตนบุคคลสังคมกาลและเทศะนั้นนั้นมีความเราพฤษนสอาดด้วยกายโสเจยย โดยมีกายกรรมสะอาดโดยวจีสโสเจยะมีวจีกรรมสะอาดโดยมโนโสเจยะโดยมีโโย ม, มนโนกรรมสะอาดที่อยู่เป็นนิพต์อันนี้ก็เอาความง่ายว่าปราถนาให้ตัวคนดีทีนี้คนดีเนี่ยถ้าในตัวเราก็มีทางดีอยู่สามทางมีทางกายทางวาจาทางใจอความดีที่สมบูรณ์อย่างที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยบางคนว่า เป็นอิทธารมเฉพาะทางวาจาแต่เป็นอนิธาารมณ์ทางใจวังคงก็เป็นอิทารมทางกายทางวาจาแต่เป็นอนิธารมณ์ทางใจวังระดับออกไหมคือบางคนมันมีสัยแย่มากกิเลสนะแต่เวลาพูดพูดเพลาะนะรู้จักพูดรู้จักเจรจาเข้หาผู้ใหญ่หาผู้น้อยการแสดงออกนะเขาลบนอกน้อมรู้จักอะไรดอะไรดีกิริยามารยาท ชาตูดีแม้แต่ใจไม่ ไ, มไหวนะบางคนก็ใจดีแต่ว่าอีกสองทางด้อยอย่างนี้เรียกว่าเป็นความดีที่ไม่ครบถว้วนคนที่ควรจะดีสมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นค น, คนที่ดีครบถว้วนด้วยหลักที่จิตศีลกับร่างกายทางวาจาสมาแล้วก็ภาวนาก็ทางใจนะนนี้ว่าตามคติของ อ่าสิกขาไกลสิกขาแต่ใครอย่างนั้นเทียบกันมันมีใครบ้างไม่อยา่างคนดีไม่ใแต่คนเลรอย่างอยา่างคนดีใช่ไหมฮงั้นความดีเนี่ยเอาละแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ชัดว่าความดีจริงๆคือบางอย่างเป็นปัญหาอยู่ที่เราต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ว่าเร้นี่ดีจริงหรือเปล่เาเช่น ความประพฤดนอกน้อมดีจริงหรือเปล่าบางคนบอกโอ้โหผมไหว้มันจนมันยิงเลยอันผู้ใหญ่ที่หนึ่งกันบอกนะว่าว้มันจนยิงเลยชักสงสัยว่าอปจิยญาะนี่มันดีจริงหรือเปล่าที่ว่ายิงเนี่ยถามว่าไอ้คนนั้นเป็นที่ชื่นชอบของคนในหน่วยงานมไหมล่ะบอกโ้เข้าหมันไส้มันทั้งทั้งกองเแล้วมันมาหยิงกับผมเขา มาญิงกับผู้ใหญ่ามาเจอหน้าผมเนี่ยผมผมผมคนนอบ น, น, น้อมเลยก็เป็นที่รักอะ่ะก็ไม่รู้ว่าผู้น้อยบงทีเจอหน้าก็เป็นคนนอก น, น้อมแต่ว่าเจอบางคนเขามันนึกว่าเราไปนอกน้อมกับมันจะให้เกียรติมันเนี่ยมันวิเศษกว่ามันเลยหญิงพอเจอหน้าต้องรอให้เรานอบ น, น้อมมันก่อนคนอื่นเขาเห็นเขาก็เลยเกลียดอ่าอย่างนั้นก็แสดงว่ายังใช้ได้พี่เห่นไหมละ่ะ เราไปไหว้คนชั่วยเราได้บุญไหมเราได้บุญแต่ไม่ใช่ไปไหว้เพราะเออเองชั่วขอไหว้ทียไ <c oughs> อย้ยางงั้นก็ไม่จะไปซาไปศรัทธาความชั่วแล้วก็ไหว้ได้บุญนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราไหว้เพราะเราปลาลบอื่นเช่นปลาลบคุณของเราอะไรอย่างเนี้ยเหมือนอย่างพละผู้มีภรษาน้อยก ว, ว่าไหว้พระมีพรษาสูงกวา่าด้วยวินัยบ้างครับ ด้วยความเคารพตนเองเขาลบเสียงตัวเอ ง, น, เองนะทั้งที่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอารักษีแต่ก็ไหว้ถนะ้าไหวมันก็ยัยงเรียกว่าว่ายตัวเองว่ายให้ตัวเองไม่ใช่ว่ายให้เขาธรรมะนี่ยเรียกว่าอภ น, นะน่ณปฏิบัติให้ตัวเองนะไม่ใช่ปฏิบัติให้เขาแต่คนเขานะี่ยสคัญว่าอภยญญาณของคนอื่นเขาให้ตัวที่นี่ความดีนั้นไปมันไปถึงจุดตันเหมือนกับความสุข ถ้าคนที่ถึงความดีนั้นไปติดความดีด้วยอำ น, น, นาจัญหาาหนาทิฐิที่เรียกว่าแข่งดีดีแล้วดีมาแข่งกันเสียมหมยางนี่เสียเลยเราก็ต้องมองแยกว่าเออทาในส่วนของความดีเป็นความดีแต่การติดความดีเป็นความเลวที่ว่ายกตนข่มท่าน ว่ตัวเองมีความดีอย่างนั้นคนอื่นไม่มีความดีอย่างนี้อย่างเนี้กลายเป็นเรื่องเสียแล้วเราจะต้องอธิษฐานเผื่อไม่ให้ติดเนี่ยเราจะได้ไม่พยองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องสิ่งซ่อนเล่นในจิตใจของเราเนี่ยนะสําคัญมากเวลาเรามองคนเนี่ยเราถึงต้องมองไอ้ตัวติดเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องความฉลาดเหมือนกันบางคนฉลาดแต่มาน่าจาัดทิฏฐิจัด ตัวนี้ความดีนั้นไปมันไปถึงจุดตำเหนือความสุขถ้าคนที่ถึงความดีนั้นไปติดความดีด้วยอำนาจปัญหามาหน้าทิศทิที่เรียกว่าแข่งดีมีแล้วดีมาแข่งกันเสียไหมอย่างนี้เสียเลยเราเราก็ต้องมองแยกว่าเออท่านในสูงความดีเป็นความดีแต่การติดความดีเป็นความเลว ที่ว่ายกตมข่มท่านแต่ตัวเองมีความดีอย่างนั้นคนอื่นไม่มีความดีอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นเรื่องเสียงเราจะต้องอธิษฐานเผื่อไม่ใหต้ติดเลยเราจะได้ไม่ผยองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องสิ่งซ่อนเล่นในใจิตใจของเราเนี่ยนะสำคัญมากเวลาเรามองคนเนี่ยเราถึงต้องมองไอ้ตัวติดเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องความฉลาดเหมือนกัน ้างคนฉลาดแต่มาน่าจัดทิฏฐิจัดความยึดติดจัแ ด, ดแต่ว่าคนฉลาดกราดเรืองแต่ว่าอันนี้ไม่มีเป็นคนที่เจียมตัวอยู่ตลอดเวลาและเหมือนบอกว่อยู่ตลอดเวลาโซานอะไอยู่ตรงไหนนักปราบอย่างที่เราเห็นในเมืองไทยเป็นอย่างนี้คนตัว อ, อย่างอย่างเจ้าคุณเทพเนียคุณเทพเวทีที่เรารู้จักเนี่ยผมมาชื่นชมท่านตรงนี้ ว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดแต่เป็นคนไม่ติดไ ม, ไ ม, ม่มีมานะเพราะความดีและความเฉลียวฉลาดที่ท่านมีอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากคนเราเนี่ยจะต้องเลยต้องข่านี้ให้ได้เราถึงจะเลยขึ้นไปแล้วคนเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปในความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นกว่านั้นในความเพียรตัวต่างๆก็จะเกิดขึ้นในเพราะความดีที่เรามีอยู่ด้วย ไม่ไม่เอาความดีไปกาแหงลบปลุหรือสําคัญว่าตัวถึงที่สุดสูงสุดแล้วนี่การอาธิษฐานเนี่ยทําให้เอามาน่าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอาทิมานะอาทิมาน่าคือสําคัญว่าตัวได้บรรลุโดยที่ตัวไม่ได้บรรลุเนี่ยไม่เกิดขึ้นหร้อเกิดขึ้นได้ยากแค่คนพวกนี้คราวนี้ข้อถัดไปก็คือ การอาทิตฐานาเดี๋ยวจะพงตู้อีกนิดหนึงว่าในการใช้ความดีหรือแสดงออกไอ้ทางแสดงออกของมีสามทางแต่โอกาสในการแสดงออกเนี่ยอันนี้บางทีเราพลาดกันอยู่เหมือนกันเรามองมองดูนะรวมทั้งตัวค พ, พูดเองด้วยเมื่อประเมินตัวเองในบางอย่างที่อดีตที่ ผ, ผ่านมาและอนาคตที่เรายังมองไม่ออกอีก่า จ, จะมีว่าสิ่งที่เราแสดงออกบางทีปลาบางคนปลาลูกบอลเราเนี่ยดีแล้วนั้น เอาความดีในที่หนึ่งกับบุคคลหนึ่งในฐานะหนึ่งเนี่ยไปใช้ไม่เลือกที่เลยนะอย่ายกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าเพอมาเรียนธรรมะ ม, มาได้ความดีอย่างในทางธรรมะสี้ทุก ข, ข้อใน่มีหมดแต่ว่าเข้ากับคนในสังคมเขาไม่ได้เข้ากับคนในที่ทํางานไม่ได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนเนะี่ ที่รูวกจ้าโรเขาตว่าพวกเาวันบางคนนะโอาเขาวันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคุยกันสองเรื่องำคัญนเาแล้วทาไมต้องเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าเอาถ้าเราดูปัญหาคนพวกนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็เอาความดีที่ถัอได้เนี่ยไปข่มครับข่มครับเช่นว่าไปในงานกินเลงอะนั่งโต๊ะเามีไอสุรา ย, ยาเมา ต่อไปพูดแโยเหมืองไทยเหล้านี่มันแย่เมืองพูดทแท้ๆหลังเลี้ยงเห็นกินเล่าบนเวทียางเอาเล่ามาชดมาชดไว้บ่อยๆเคลื่องที่ตัวคูณมันเรื่องน่าคิดแล้วก็ถูกทําแต่ว่าเหมาะไม่ที่จะไปพูดในกาล้อย่างนั้นไม่เหมาะไม่เหมาะเลยอย่างนี้เรียกว่าใช้ความดีไม่ถูกกาล้าไม่ถูกเทศะตูติจ้าเนี่ยท่าน ถึงง่ายหลักว่าอะไรที่เป็นความจริงมีประโยชน์ยังต้องดูการลเทศะเป็นสําคัญเนี่ยคือการใช้ความดีแล้วก็คนบางคนยังไงยังไงเนี่ยบางคนมันถึงมีลักษณะที่เข้ากับใครก็ได้เข้าคนเข้ากับคนไหนก็ได้คือใช้ความดีเป็นแล้วก็เป็นที่นิยมนัหรือของคนในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในวัดเท่านั้นแต่ว่าก็อย่าได้เข้าใจว่า ก็พวกคนพวกนั้นน่ะไปเข้าว่าคนกินเหล้าก็กินเหล้าไม่ต้องกินเหล้าก็แล้วครับก็คุยกับคนกินเหล้าหรือเรื่องใช่ไหมไปข้าวกัหมูโจรไม่จำเป็นต้องเป็นโจรเหมือนอย่างลาสมัยก่อนถ้าไปเอาโจรมาเป็นราซะตั้งเยอะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ความดีเป็นพระูดเจ้าท่านถึงรับนิมนต์ไปเทศงานแต่งงานทั้งที่ท่านเป็นผู้ถือพระมหัน และกล่าวว่าการปรพฤติประมาจเป็นชีวิตประเสริฐและทาไมท่านถึงรับไปแต่งงานอ้างงานแต่งงานแล้วท่านก็ไม่ได้ไปเท็นว่าคนมีชีวิตคู่การแต่งงานเนี่ยเป็นความชั่วช้าสารเลวที่พระไม่ประพฤติแล้วมาเป็นธรรมของชาวบ้านเป็นธรรมของคู่วองเรือนเป็นธรรมในที่รักเป็นธรรมมีน้ำเหมือนอย่างที่ท่านเทศกับรักท่านจะพูดอย่างนี้ นั่นท่ารู้ว่าที่ไหนคนยังไงเราก็ต้องรู้เนี่ยไปเจอพ่อเจอแม่บางคนก็หมาไปเบลกรอบเหล็กแม่แค่พูดเราวไปรำนน์นนะรำนนที่โก้เดีนี้ว่เนี่ยดูที่เนี่ยเรามีกันครอบครัวชวนย้องข้าวันน้องกลับไปชวนพ่อหออกไปมีแม่อยู่คนเดียว ไ, มไหมอะไรกไปต่อว่าแม่ดีกั อยากจให้ไต้หวันก็เลยท่านก็เลยโปรธเราอนนี้ก็เป็นเรื่องฐานะที่เราควรจะกําหนดรู้ในการใจความดีที่เราควรจะมีอย่างเหมาะสมอย่างนั้นตอนนี้เราข้ามเลยไปสู่ในส่วนต่อไปในบทเขียนว่าด้วยอำนาจแห่งบุญญาณุภาพและคุณอนุภาพเหล่านั้นจงเป็นภาวะปัจจัยแก่กบเจ้าขอให้กบเจ้า จงมีปัญญาถึงพร้อมด้วยตามรู้ความสามารถมีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกทางธรรมแค่นี้ก่อนยิ่งฟังดูแล้วโลภแล้วก็โลกไหมไม่โลภนะปัญญาทางโลกนหมายถึงปัญญาในส่วนแห่งทิฏฐธรรมิกะถาประโยชน์ ที่จะทําให้เราเนี้ยได้มาซึ่งโภคะซึ่งการนำลงตนอยู่ในโลกอย่างเหมาะสมเราพูดที่ปกย่างเหมาะสมนะปัญญาในทางธรรมนั่นก็หมายถึงปัญญาในพระสัจธรรมคือในบริยัติปฏิบัติและปริเวศเรียกว่าเป็นปัญญาในทางธรรมอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ลราพู่กันในทางใดๆ ที่พรจะพุทธเจ้าตรั ว, ว่าบุคคลผู้สมบูรณ์จะต้องมีตาสองข้างคือตาหนึ่งได้แก่ตาสแสวงหาปัจจัยสี่เคื่องอย่างชี้ปัญญาดำรงชีวิตอยู่ในโลกและปัญญาอีกข้างหนึ่งคือปัญญาในธรรมที่คนสมบูรณ์จะต้องมีปัญญาสองอย่างจึงว่าเมื่อหนุ่มก็ สางเนื้อสร้างตัวสแสวงหา ส, สัตว์สีเงินทองโภคสมบัติเมื่อออกบวชเนี่ยถ้าคนจะออกบวชก็มีบัณก็สแสวงหาธรรมบุคคลใดที่เมื่อหนุ่มเมื่อมีกําลังแข็งแรงอยู่ไม่สแสวงหาทั้งสองอย่างคนนั้นเป็นคนที่ปลาชัยในโลกทั้งสองย่ำซกเทาอยู่มืนนกกระเรียนแก่ที่ยืนหงว ย, ยอยู่ที่ตรมที่ตม ที่เปลือกตมไม่มีแรงจะจ้วงปากลงไปจิกเหยื่อเอามากินได้นี่เป็นพุทธกจนตถากไปในรรทางมรดกแล้วก็ว่ามีปัญญาบริหารตนให้มีชีวิตกระเสริฐที่เราพูดพูดกันนี่เป็นเรื่องของปัญญาเพื่อบริหารตัวเองให้มีชีวิตกระเสริฐ มีเป็นอุดมชีวิตคือยีดประเสริฐอย่างที่ว่าก็คือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ถึงพร้อมด้วยมหากรุณาที่คุณวิสุทธิคุณปัญญาคุณหรือหลักใจิขาศีสมาธิปัญญาเราถอดออกมาเป็นอย่างหลักชัดๆก็คือความสุขความดีและความฉลาดแต่อย่างที่พูดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหลักของชีวิตประเสริฐ ที่เราควรจะบริหารคุณสมบัติเหล่านี้ให้ติดอยู่ในสันดานของเราด้วยอํานาจของปัญญาแล้วก็มีสติปัญญาแตกฉานในพระสัจธรร ม, รรมพระสัจธรรมหมายถึงพระสัจธรรมคือธรรมที่เป็นจรงิงที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ทั้งในด้านปริยัติอันนี้เราต้องการให้ครบชีวิตที่สมบูรณ์นี้ควรจะต้องครบรูปแม้การเข้าถึงศาสนาการอย่างลงสู่ศาสนาก็ต้องครบ ไม่ใช่ปริยัตอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวการที่จะเกื้อกูลทั้งประโยชน์ต่อประโยชน์ท่านได้มากที่สุดเนี่ยขอให้เราแต่ฉาญในพระปริยัติอย่างเช่นคาว่าแต่ฉาญนึงครอบคลุมทั้งความใคร่ในการฟังธรรมการทรงจำทางอะไรหมดอะเพราะว่าบางบางคนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าชอบรักษาศีลแต่ว่าไม่ชอบฟังธรร ม, มะหรือชอบ บริห า, ารศาสนาแต่ไม่เอาแตบไม่ไม่ชอบฟังไม่ชอบชอบชอบเอาไปชอบบุญยาววจัยอย่างเดียวมีตัวอย่างมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ชอบฟังฟังฟังไม่ได้ยังอื่นก็ไม่เอาแต่ว่ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือเปว่างคนก็ชอบมากกว่านั้นนั้นวิยญาณนี่เป็นคำสอนของพระเจ้าเราจึงควร จะทําชีวิตของเรานี้ให้ได้รับรู้ทรงจําและแตกฉันและแตกฉันในด้านปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรียนรู้ปริญญาต้องมากแล้วปฏิบัติไม่ได้คือปฏิบัติไม่ได้แนะเวราเรียนเรียนมากไปซี่งเขาบอว่าเรียนมากไปก็เลยเอาปริญญาตมาแบ่งจนตัวปฏิบัติไม่ลงออันนี้อันหนึ่งหรือบางคนมีลักษณะว่าเรียนปริญญาตเก่งแต่ในภาคปฏิบัติทําไม่ดี ทำไม่เจริญบางคนนี้บอกเขาไม่มีบุญดังนี้ก็สารภาพเลยนะมีคนไม่มีบุญดังนี้นี่เราก็เสียดายโอยที่เขาบอกผมเี่เพราะเขาคมชวนเขาแนะนําเขาเขาอายุจะแปดสิบแล้วเวลานี้ก็ดูเขามีบุญดีก็บอกแหมนี่เราก็เรียนกันมาเยอะนะทคงพงคมปีอะไรก็เรียนมาแล้วน่าจะขยับชั้นหน่อยนะปฏิบัติ บ, บ้าง เขาก็โ่งอมเลยบอกแหมผมบุญน้อยบุญคงจะน้อยเพราะปฏิบัติและทําไม่ได้พอใช้คําว่าทําไม่ได้เนี่ยเราคนดูแล้วไม่ได้แปลว่าเขามีมันนะแต่เขาทําไม่ขึ้นนะทําไม่ขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิก็ทําไม่ดีแล้วก็ไม่มีความร่ำเี่ยงในดังนี้ด้วยเขาจึงยึดได้แค่นั้ น, น่ะเราก็เสียดายดังนั้นถ้าถ้าสมมตเราไม่ได้แล้วอธิษฐานอธิษฐานหนุนไว้ ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ปฏิบัตินะเราก็นิฐานบอกตัวเองว่าทำบุญแล้วก็นิฐานขอให้เราแตกฉานท้งวิญญาณปริบัติแล้วสวัสดีเวทคือการแทนตลอดขั้นบรรลุสูงสุดเป็นลำดับสืดปบเรา ก, ก็จะเป็นคนที่ยังลงสู่สาศาสนาได้อย่างครบด้านครบทั่วไม่ขาดขาดเกิน อันนี้จะเป็นประโยชน์ตัวเองแล้วบุคคลอื่นต่อไปด้วยเพราะนั้นเราจึงควรอธิษฐานในส่วนขยับต่อไปนิดหนึ่งว่าอ่าข้ามความยึดหนย่างที่ว่าเมื่อกี้เราอย่าไปยึดติดอันนี้ฮะผมว่าผมเองนะได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในเรื่องนี้มนะากเพราะว่าได้อธิษฐานกำกับตัวมาตลอดในเรื่องนี้ทําให้เราไม่ยึดไม่ยึดในเรื่องอะไรหมายถึงไม่ยึดติด จนกว่าเราจะไปสู่แล้วก็ค่อยๆขยับระดับสติปัญญาอย่างในด้านบริยัตหรือปฏิบัติตะตาม ข, ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่า อ, อที่เราอธิษฐานอย่างนี้สอดคล้องกันหลักคําแนะนําของพระพุทธเจ้าด้วยและสอดคล้องกับประสบการณ์ประโยชน์ที่เราได้รับด้วยถ้าสมมติว่าเราไปติดอย่างนี้ว่าเราเรียนอริยธรรมแต่ฉานครบหลักสูตรแล้วก็เสร็จอริยธรรมแหละ ยังเองไม่ฟังก็อยู่แค่นนะั้นทำให้เข้าใจวิธไม่ายแตกเท่าที่ควรด้วยลวหลายคนนะเรียนวิธามาจบรล้วปฏิบัติก็ไม่ทำทานก็ยังไม่ทำก็ยังมีนะแล้วก็บางทีก็เกิดมานะที่อะไรอย่างนี้ก็มีนะไอ้ยังไม่ใช่เป็นความเสียของเราไปททำแต่เสียเพราะเสียที่ตัวคน เรียนมาหาก็ลงไาเรียนอะไรก็ดังนั้นแะถ้าเราไม่ปฏิเสธความวยึดติดเราจะเป็นผู้ที่เรียนรู้มากสรงจำไปมากแต่บุคลิกเสียการแสดงออกเสียอาจารยนะปฏิบัติามากก็แสดงออกเสียเห็นแล้วคนก็พังยกตัวอย่างที่อื่นนะ ตีสายอันนี้เราฟังแล้วเราพวกแหมทั้งสงสารทั้งรู้สึกเห็นใจอะเขาสนใจเรื่องปฏิบัติที่แล้วก็ชอบเผยแพร่ทำไอ้ลงงเดียวอะไรเนะ่ยแผ่นสองแผ่นแล้วก็เที่ยวไปยังที่ต่างๆไปบอกให้เชิญให้พูดเรื่องที่เขาเจแจกว่ากลว่าไม่มีใครเชิญที่ยังนี้นะับแต่ว่า เขาบกพร่องในเรื่องการแสดงออกมีความยุติดสูงว่าเนี่ยหลักที่ถูกต้องตรองอย่างนี้อย่างอื่นไม่ถูกทั้งอย่างนี้คุณจะไม่เคยฟังเลยที่นี่จะไม่มีใครเคยฟังเลยถ้าอยากฟังเชิญผมพูดแม่ผมได้ยินมากระหูเลยนะแล้วเราก็รู้สึกสงดใจว่าแม่เขาเขารู้ตัวเองว่าเปล่าไม่รู้นะเราน้เนืตาเขาอะ แม่ตาเขาโอทำไมถึงมาตันอยู่ตรงนี้อันอย่างนี้เรียกว่าความติดทําให้ไม่ได้สัมผัสกับข้อมูลในส่วนที่ดีกว่าเราจึงต้องอธิษฐานเพื่อเลื่อนตัวเองเพราะเราเนี่ต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสรนุทุกอย่างนะและความดีความจริงข้อเท็จริง้มีเกินภูมิเรามากไอ้ที่เรารู้ว่าเราอาจจะรู้ยังไม่แจ่ นั่นอันใดที่เราไม่รู้เนี่ยเอาไวไม่เป็นไรหรอกไม่แปลกอธิษฐานไม่กลัวอธิษฐานไม่ต้องเอามาเป็นข้อแม้เราอธิษฐานได้เพื่อให้เราได้รู้อันนั้นรวมทั้งอธิษฐานเรียกครูบาอาจารย์อย่างที่ว่ายังเรียกมาได้เรียกจหรับจาลาเรียกอะไรอะไรเราแสวงหาได้เียแล้วมันก็จะมาหาเราเราจะเข้าใจซึ่งเหล่านั้นเอง อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่มีใครอยากหง่คนที่บกพร่องเรื่องปัญญาอย่างเรียกว่สาสอบตกในฐานะมนุษย์เนี่ยนะคือคนปัญญาอ่อนมีสอบตกมีใครอยากปัญญาอ่อนไหมไม่มีอ่ะต่อที่ยกน้ำดกให้ทั้งหมดแล้วก็ไม่เอาเีมีคู่ครองปัญญาอ่อนแล้วที่อยาได้เลยใช่ไหมล่ะ มีลูกเราแปลว่า ม, มีลูกปัญญาอ่อนรู้มีอะไรปัญญาอ่อนมีอาจารย์ปัญญาสูงหน่อยแต่ว่าไม่สูงมากเราก็ไม่อยากเราก็รู้สึกว่าไม่เวียงพอเราไม่อยากจะตามแค่นั้นเราต้องการคนมีปัญญาและต้องการให้ตัวเราเนี่ยมีปัญญาที่ระดับของปัญญานั้นมีหลายขั้นหลายชั้นเหลือเกินเราเนี่ยอยู่ขั้นไหนเรายังจะรู้หรือยังก็ยังไม่ทราบเจริงถูกไม่ถูก ทำนิพพานายังมีทั้งสิบกยานเรายานยอื่นอื่นขายตามลงมายังมีอีกหลายขั้นเวลานี้เราอยู่ขั้นไหนเรายังไม่รู้เราจึงต้องอธิษฐานให้ขยับขึ้นไปขึ้นไปให้โอกาสแก่ตัวเองด้วยดุลบ ร, รมีทางนี้กรณีส่วนสุดท้ายก็คือเมื่อที่ว่ามาทั้งหมดเราอธิษฐานให้ตัวเองที่ว่าอธิษฐานสร้างอัตภาพ ให้ได้อัตตะปฏิราตที่เป็นคุณสมบัติอย่างดีที่สุดเราจะต้องอธิษฐานเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นด้วยในสิ่งเดียวกันในบทอธิษฐานจึงได้เขียนว่าด้วยอำนาจแห่งพุทธะแห่งบุญญาณุภาพและคุณณนุภาพเหล่านั้นจงเป็นพลวะปัจจัยแก่ข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้าจงเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความผาสุก ข, ของชนเหล่าอื่นอันนี้ก็หมายความว่าเรามีความุาอยากจะสุขคนเดียวหวงไม่อยากให้คนอื่นมีส่วนด้วยหรืออยากจะให้คนอื่นมีส่วนด้วยเราอยากให้คนอื่นมีส่วนด้วยเรามีความสุขว่าจะประสบความสำเร็จอะไร ผมถืถอภาษีบัตรเปนหลักอย่างหนึ่งมานานแล้วเพื่อทํางานเนี่ยเอาเงินเดือนออกเนี่ยไอเงินเดือนขึ้นนไอเงิอนออกในอย่างนะเงินเดือนขึ้นขึ้นเท่าไหร่ผมทําบุญหมดผมถือว่าเป็นความสาเร็จความสุขที่ผมควรจะให้คนอื่นมีส่วนและถือเป็นการลาทานก็ทําทําอย่างนี้ แล้วเวลาเงินเดือนออกในแทนที่เราจะปไปนึกถึงกินวิดเดียวสนุนสนามเที่ยวเตะหาเสื้ออะไรเราเจียรทําบุญก่อนได้ลาภผลอะไรมาใหม่ๆต้งนึกถึงทําบุญว่าจะไปทําอะไรแบ่งไปทําอะไรแบ่งให้ใครเมื่กอกียงนี้ทําจนเป็นนิสัยจนเป็นนิสัยก่อนเป็นนิสัยติดตัวอย่างนี้คือแผ่แบ่งความสุขให้คนอื่นจริงๆเราคิดดูว่าถ้าเราเป็นที่ทางเป็นที่อาศัย เอาแค่ไงว่าใครเข้ามาเห็นหน้าเราก็มีความสุขไหมหน้าภูมิใจไหมก็ใช้ภาษาโลกหน่อยนะเพียงแค่เขาได้ยินชื่อเราเขามีความสุขแล้วหน้าภูมิใจไหมเพียพงแค่เขาได้เห็นรูปเราก็มีความสุขแล้วห น, น้าภูมิใจไหมแล้วถ้ากลับตะลับกันแค่เขาได้ยินชื่อเขาต้องไปล้างหูแล้วหน้าเศร้าใจไหมถูกแล้ก็โอ้ทนไม่ได้ตาเหลือตาเปลี่ยนเกิดความทุก ต้องขี่รูปทิ้งหรือต้องย่ำยีรูปของเราหรือมาเห็นเราเขาจะสมบัติหน้าหนีขอยลบหนีอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติในทางปฏิเสธอย่างีาา้่น้าพอา้างชีวิตใครสักคนลงเป็นอย่างนี้แล้วลองขยายวงกวา้างออกไปออกไปเขาก็เหมือนอยู่ซตัวๆคนเดียวในโลกเหมือนอย่างที่เราพูดว่าคนที่รวยแล้วไม่แบ่งปันเนี่ย มีลักษณะอย่างนี้จริงๆครไม่น่าชื่อเลยว่าเศรษฐีที่ดินแถวบางปีมันพันไร่อารวมที่อื่นด้วยนะใครเห็ น, หน้าแล้วก็เจ้าอ้วกกันทั้งสอยที่ตัวอย่างจริงๆนะชื่อเขาก็ดีอ่ะ เ, อเดี๋ยวเอ่ยชื่อจะไม่ดีเลยด้วยชื่อเขา มันมีความหมายว่าความสุขนะแต่ว่าคนเห็นแล้วหน้าบุ ง, างหน้างอเพราะแกเป็นคนที่ไม่ออาใายเนี่ยใครจะเขาส่งอย่าไปแจกงานอย่าไปแจกการกันเลยจะบุญลูกอย่าไปแจกงานกันเลยแกจะว่าบอกว่ามีญาติกล่ำแล้วจะขอที่กาอะแล้วก็ผม กลม่มีไทรแจกกาลเวลามีงานบุญงานกุศลแล้วมันซื้อคิมเวียงไม่อยได้ไม่ซื้ออ่านเลยแถวนั้นมีร้านค้าอยู่สามร้านไราร้านหนึ่งซื้อไทรัฐร้านหนึ่งซื้อเดลี่ดิร้านหนึ่งก็ซื้อดาวสยามแกจบไปตจะรอจะเช่าอยู่างกับไ้อยล็ มอเตอร์ไซค์มันโยนหนังสือึงแกจะไปรับนั่งอานอ่านมันชิ้มมองเลยไอเ้เจ้าของร้านบอกผมเลยบอกว่าคนหนังสือพิมพ์ลงเลยแกต้องรีบรีบเก็บเก็บพอตาตาคนนั้นมาแกรีบซ่อมแกรีบซ่อมบางวันนะ่ะซ่อมไม่ทันเก็บไม่ทันแกก็ทําหน้าไม่พอใจเขาใส่แต่ไม่ได้กล้าว่าอะไรนะเพราะยังไงก็ยังรวยอ่ะตัวยังจน นี่เอาคนนั้นนะแกก็มาบ่นให้ผมฟังนะบอกไว้ยายเล็กไม่รู้เป็นอะไรเห็นหน้าคูณหลาูุณยายที่ทาหน้าบอกบุมไม่รับทำไมต้องมาทําหน้ากัแกอย่างนั้นด้วยผมก้นด้กรู้ในใจว่าอะไรแต่แกไม่รู้อะยังเนี่ครับเรียกว่าคนที่มีความสุขแล้วไม่แบ่งปันนะฮะงั้นถ้าเราเนี่ยอธิษฐานเผื่อไว้ว่าเรามีความสุขแล้วซับ ควรจะเป็นที่ทางความสุขของบุคคลอื่นก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริดมากเหมือนอย่างชีวิตเนตของในหนลวงเนี่ยนะไปที่ไหนสเสด็จไปที่ไหนแปลว่าผลตกไปถึงที่นะั่นความสุขไปถึงที่นะั่นความร่มเย็นไปถึงที่นะั้นพราพุทธเจ้าเหมือนกันโลกานุกภมบายอยากเสด็จไปที่ไหนความสุขไปถึงที่นะั่น คิดภัยทุกสูตความเดือดร้อนปรารสนาการไปที่นั่นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งที่ชีวิตเราควรจะเป็นแต่ได้แค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็จงเป็นแบบอย่างแห่งความดีของคนเหล่าอื่นคือการที่เราทำความดีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของคนอื่นด้วยตัวอย่างโดยโดยอ้อมก็หมายความว่ า, วา เขาเห็นคนนี้เออทําดีเขาก็อยากจะเป็นตัวอยา่างเกิดกาลังใจเกิดความโน้มเวียงเป็นเนตติเป็นที่ฐานกติก่คนอื่นก็เหมือนอย่างที่เราพูดอย่างอย่างอย่างพระกูบาธรรมจักรลูกวัดท่านนั้นหมดเรียบร้อยมันท่านหมดทาไมถึงเป็นองนั้นก็เรว่าท่านเป็นแบบอย่างพระสายอาจารย์มันแม้ถึงเดี๋ยวนี้ เรียบล้อยหมดก็แปว่าได้ท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็การสแสดงโดยกรงที่เป็นหมายถึงไม่ใช่แค่นั่งอยู่เฉยๆให้เขาดูเป็นตัวอย่างการบอกกล่าวที่แน่ก็โดยกลงอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นการให้แบบทายแบบแก่บุคคลอื่นให้เขาเป็นคนดี อ่าอันนี้ครับในวุฒิวงจะบางทีก็เป็นน่วยงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนดีคนเก่งเนี่ยบริษัทโดยวานเนี่ยจะคล้ายๆว่าได้บารมีติดไปสร้างธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็จะอ้างว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานกับท่านบุญ น, นวงนี้มานานเนี่ยออกไปกี่คนอีกคนหนึ่งจะมีลักษณะที่ถ่ายแบบไป เพราะอาศัยคนที่เขาดีมากๆในหน่วยงานนั่นเป็นแบบอย่างอันนี้เป็นพลังมากเพราะนั้นถ้าเราเองทราให้ลองดูใครลราอยู่ในบ้านเป็นแบบอย่างแก่คนในในครัวเรือนก็นับว่าดีแล้วเป็นแบบอย่างแก่ลูกน้องก็ดีแล้วไม่ใช่อย่างที่ผมเห็นเป็นร้านขายขนมปังลูกน้องกี่คนเข้ามามาเป็นลูกจ้างร้านนี้เสียหมดเลย มาจากวันนอกเสียอะไรรู้ไหมพูดหุนหมดหน้าบูมหมดให้ใหม่ดีนะผมก็ดูใหม่ๆก็เรียบร้อยดีพูดจาเราแขกทําไวันตั้งแต่อย่างนั้นรูไหมเพราะเจ้าของร้านตั้งแต่เตียตั้งแต่แม่พี่คนโตพี่คนเล็กหน้าไม่รับแขกเหมือนกันหมดเลยแล้วพูดจาทั้งคําำแ้าคา ให้ลูกน้องมาอยู่นา น, านแล้วเป็นหมดโดยที่แกจะรู้ตัวแกแม่งคงไม่กล้าถึงมันยิ้มเงียดเธอแกหาว่าถธเล่นไปพูดดีก็เธอแกหาว่าพูดใหม่ก็เลยไม่กล้าความดีหงอยหมดเลยแล้วก็ต่อไปก็คือจงยังชนเหล่าอื่นให้ถึง เอเอะจะไม่ผ่าน错的จงเป็นผู้เผยประกาศเผยแพร่ซึ่งความรู้ความเฉลียวฉลาดแก่ชนเราเอาันนี้ก็หมายความว่าขอให้เราเนี่ยจงเป็นผู้ที่ให้ปัญญาแก่คนอื่นเอการพูดด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่นะการทําให้คนอื่นเกิดความเฉลียวฉลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นหน้าที่เป็นกิจของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะทําอย่างนั้น รวมทั้งว่าสงสาวกด้วยการที่ทําให้คนฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่คิดอย่างตรงกันข้ามกับคนชั่วนะเป็นคนโง่ที่ไม่อยากให้คนอื่นฉลาดเท่าตัวแต่การที่ทําให้คนในสังคมมีควันนี้นฉลาดกันมามามันหายถึงความสุขของคนหมู่มากเหมือนกับความดีของคนหมู่มากก็เป็นความดีเป็นความสุขของเราด้วยเป็นความปลอดภัยของเราด้วยนั่นเอง นั้นอยากลัวครับอย่ากลัวว่าทำให้คนอื่นฉลาดแล้วเราจะเสียอย่ากลัวการเปิดเผยเคล็ดลับอันนี้คงไม่มีโอกาสขยายความว่าทําไมเข็นโบราณเนี่ยหวงกันนักหนาแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งของดียิ่งเปิดเผยยิ่งดีเราก็จะเป็นอันนี้สองต่อครับ เนี่ยเราเราศึกษาประวัติของคนคนนี้มีตำหนักตำราดีๆแล้วเปิดเผยมีเคล็ดลับทำอาหารดีๆแล้วเปิดเผยเนี่ยไม่จนนะไม่หาย น, นะคนที่บริหารงานดีๆที่ประสบความสําเร็จที่เป็นพวกเดียวกับเรามานั่งฟังเราเปิดเผยแนะนำํำด้วยความเต็มใจไม่ต้องเอากระดาษขาอ่อนนะกแม้อาชีพเดียวกันแล้วปวระกันตัวยิ่งทํายิ่งขึ้น ใครไปปรึษาอะไเลยเนี่ยอะจะทํายังไงถึงจะได้รับค ว, วามเนเขาจะแนะนำด้วความเต็มใจเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะให้คนอื่นเนี่ยประสบความสําเร็จอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเขาเขาถึงไม่ห่วงเคล็ดลับไม่ห่วงอะไรมันจะตรับตลกตรัสกับความคิดของคนโง่อยู่ดีว่าพนอะ ต, ตัวตายแล้วล้มหายตายไปด้วยแล้วไม่ได้บารมีติดแต่คนที่อ่ป่วยแก่ บอกกล่าวแก่คนอื่นได้บารมีติดซึ่งมันตอบสนองอย่างโตนค่ากว่าการที่เราจะปกปิดไว้เพื่อหวังผลในทางธุรกิจในทางทรัพย์สินเงินทองถ้าเราเป็นสัญเป็นคล้ายๆเป็นดวงแห่งความสว่างของสังคมของบ้านเรือนของครอบครัวของในหน่วยงานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราควรจะปรารถนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้นี่ถ้าสมมว่าเราเกิดมาแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ทำมต้ก็โง่ก็งง็มดจะดีไหมพูดอะไรก็โง่อธิบายทำให้คนไม่เข้าใจน่นนนั่งหมอยนั่งเหงาหลับทันหมดโง่หนักที่จะดีไหมหรือไปทำอะไรก็ทำให้คนปัญญาออกในทั้งบ้านทั้งเมืองนะไปขับรถก็ เขีนผิดเป็นถูกเขียนไม่ใช่ทางเป็นทางเขียนทางเล็กเป็นทางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะดีไหมอย่างนี้คือผู้ที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่พระเจ้าเรานําความไหายาณะใหญ่มาสู่ประชาชน น, นําวิชาทิฏฐิความสําคัญผิดฟ้องหัใจผิดควา ม, าวามนําอวิชาความโง่เขาแก่ประชาชนคนพวกนี้เป็นอันตรายของผู้ประชุมชน แต่คนที่เกิดมาพว่อสัมมาทิฏฐิใหญ่ของประชุมชนเนี่ยคนนั้น่าเกิดมาเพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่ออนุราพ ป, ประชุมชนเดี๋ยวเราลงลึกดูในสังคมเราถ้านานๆทีมีคนฉลาดปราดมาเกิดเนี่ยเป็นเป็นสีแก่บ้านเมืองเลยเป็นสีอย่างโลกเลยไม่ใช่แค่บ้านเมืองนะมีคนดีอย่างมหาธรรมก า, ารทีที่เราไม่ผิดว่าท่าน เด่นในแงจะหลาบั้คนดีเป็นสีแก่โลกเป็นกำลังใจของโลกที่คนชื่นชมกันทุกชาติทุกศาสนาอันนี้ก็เป็นในส่วนอีกส่วนหนึ่งอันเราจึงทำความศาสนาที่จะให้เราเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของส่วนทั้งสามส่วนนั้นจง ถึงความแก่เขาเหล่านั้นจงเอ่เรอรงเรือนแก่เขาเหล่านั้นแล้วก็จงสรดปฏิสถานมั่นคงแก่เขาเหล่านั้นแก่หมาชงหมูมาก ท, กทุกทุกชาติที่เราเกิดนี่ไม่เอาแค่ชาติเดียวไม่พอนะไม่ใช่โลกมากเมตตามากการุณามากความเกลือกลนมากที่เรายังเลียนไร่ไใจเกิดอยู่เนี่ยให้เราเกิดในภพไหนชาติแม่ไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นไสเดือนยิ่งคือ เหมือนอย่างพระบุริษัท่านได้แสดงภูมิปัญญาพาคณะพาบริวารให้รอดอย่างที่ราอานในชาดกแม้เกิดเป็นศัตวย์ยังมีอุบายมีความเฉลียวฉลาดเกิดเป็นคนอย่างเราอ่านเรื่องมหโหสถบัณฑิตใครมีความทุกข์ความเ ด, อดมือดร้อนมาเอ่อเนี่ยท่านก็ช่วยได้เหมือนในจีนเต่าบุญจีนสังคมก็ได้รับความบุญเนี่ย เราไปเกิดที่ไหนเนี่ยผมว่าแม้เราจะเป็นคนตัวเปล่าเราเปลือไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรามีสามอย่างนี้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมได้สามอย่างนี้ผมก็คิดว่าเราน่าจะพอใจยิ่งกว่าอย่างอื่นน่าจะยินดียิ่งกว่าอย่างอื่นเอาเงินทองเจ้าแหวนเงินทองมาให้เราช่วมโลกมันไม่มีราคาเลยนะแล้วก็ในเนี่ยในทุกชาติทุกที่ทุกสถานที่เราอยู่ ขอให้เราได้่กระทําริ่งหล่านี้ทีนี้คําว่าเราเผยแผ่เราแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้แปลวจะต้องหมาพูดอาจะพูดก็ได้อาจจะเขียนก็ได้อาจจะให้คําแนะนําก็ได้หรืออาจจะชี้นําก็ได้ชี้หนทางสว่างแก่เขาว่าเออไปที่นั่นสิไปอ่านหนังสือเรื่องนี้สิไปหาพระองค์นั้นสิรังเทพนั้นนี้สิอะไรอย่างนี้ก็ชี้ว่าเราได้ทํากิจอันนี้ แก่บุคคลอื่นและเมื่อเราปาถนาให้แก่ตัวและปราธถนาให้เลยไปถึงคนอื่นนี้มันจะเข้ามาซ้ำที่ตัวเราเองอีกเดีวยวเข้ามาบ่นมาทวีคูณให้เจ้าตัวเราเองถ้าสมมติเราปราธถนาขอให้ขา้าเิชาชกาิไหนฉันไหนจงมีความสุขมีความดีมีปัญญาแต่เพียงผู้เดียวคนไม่รัวไหลไปหาคนอื่นแม้แต่น้อย คนอื่นเนี่แไแน่จะา่าชาติเราไม่ดีชาติเราไม่มีความสุขชาติลราอย่างนี้มันลดขึ้นลยเพราลดลงอยมากขึ้นเพก็ลดลงใช่ไ้มละ่ะแล้วจูวตัวจะน่าภูมิใจตรงไห น, นมันก็ไม่น่าภูมิใจอ่าพูดไปพูดมาถ้าจะหมดเวลาแหละแล้วก็จบจบเนื้อหาในนี้กอดีเออมีมีท่านยกมือจะถามหรือเปล่าก็ เราคงอยู่เปิโนนดโอกาสในกอรไทดรายการเช่ไหมใช่นะอ่าอ๋อบวชอ๋อ อ, อ, อันนี้เวาไม่ได้ไปบอกคนอื่นนะ ไม่เราไม่ไม่ได้หมายถึงการแสดงออกแต่ที่พูดเนี่ยเรากู้เพื่อนนให้ใช้กับตัวเองอย่างที่ได้ใช้กับตัวเองอยู่ว่าเรามีความรู้เราไม่ยึดถือไม่ได้อวดเหมือนเรามีของเราไม่ยึดถือการไม่ยึดถือของที่เรามีอยู่กับการอวดของคนละเรื่องกันงแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ยึดถือเราบอกว่าผมไม่ยึดถือนะคุณยังยึดถือใช่ไหมละ่ะคุณเร็วกว่าผมผมดีกวาคุณแต่อย่างนี้มันก็อวด มันก็เป็นเรื่องของความแยบยลของกิเลสที่มันกินลึกเข้าไปขวาธรรมดานะแล้วถ้าลองอวดแล้วก็แสดงว่ายังมีความยึดด้ยวยมานะใช่ไหมยังสำคัญว่าเป็นสิ่งวิเศษที่โซโคนอื่นอ่าหรือถ้าไม่มีใครถามผมจะ แถมท้ายทั้งนิดหนึ่งในเรื่องของการอธิษฐานจิตเพื่อจิตบางอย่างซึ่งมีมากเหลือเกินเนะีเอาเป็นว่าอธิษฐานเพื่อจิตบางอย่างเนี่ยเพื่อมันมีเพื่ออ่ขจัดภัยพิบัติอันหนึง่งแล้วก็เพื่อความสําเร็จที่จะพูนเกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งเอาเพื่อขจัดภัยพิบัติเนี่ยหมายความว่า ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะปกป้องทรัพย์สินอย่างบ้านเรือนของเราเนี่ยนะวิธีทําเนี่ยทํำยังไงเราก็ส่งกระแสจิตออกไปออาจจะให้เห็นเป็นใหใย ข, ขาวๆเป็นสายสินออกไปจากกระแสจิตเราเนี่อโดยส่งออกไปพุ่งจากใจกลางจิตของเราไปรอบๆบ้านตั้งแต่พื้นดิน พันครอบคลุมขึ้นไปเป็นใหญ่เหมือนไข่ใยญ่ใหญ่ของพวกไอที่เขามาทำเครืองหมาอะไรตัวหไหมใช่มะโตัวหมอนชักใหญ่คลุมกองบ้านเนี่ยขึ้นขึ้ น, น ล, งลงลงขึ้นขึ้นลงล ง, ลงอธิษฐานจิตลงไปด้วยให้ปลอดภัยจากภัยทั้งโจรภัยอักทีภัยวาตาภัยอยุทกภัย และภัย อ, อื่นๆที่จะเพ่มเกิดขึ้นได้ขอให้เคหสถานเรือนหลังนี้จงปรอดภัยโดยประการทั้งปวงเราอ็ได้ฐานเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ยิ่งนานยิ่งดียิ่งแรงยิ่งชัดจริงดีอาจจะครอบที่ด้วยก็ได้หรือบางทีก็คําสมาธิแล้วกาหนดเหมือนเห็นตัวเองเนี่ยเดินเดิน ไปรอบๆที่รอบๆบ้านนะเราจะแต่งทายเงี้ยก็ได้เรื่องของมาี่นี่เป็นเรื่องสมาี่าแผ่ความจารนะท่องคาถาคุ้มบ้างแต่คำก่าออธิษฐานเนี่ยจริงๆไม่ไม่กราวเป็นคำพูดก็ได้กราวเป็นคำพูดอย่างที่ผมว่าอันเชิญรัธนาคุณพระพุทธธรรมะสมและเทพ ย, ายดา แต่กุศลลจิตบุญของเราเราทั้งหมดก็ได้แต่พระคุณพระธรรมสงค์อย่างที่ผมว่ า, วาพุทธทางปกป้องบำบัดรักษาสังขังปลอดภัยนะอธิษฐานอย่างนี้แล้วอันเชิญเทวดาดูแลเทพีดาที่สถิตอยู่ที่นั่นเอออ้างอย่างนี้เดี๋ยวบางท่านอี น, นึกว่ออกาแหมเป็นเรื่องประลามปลาเรื่องมองาย ไม่ใช่ครับพูดในทางหลักการก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องมงมงายโวราณอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วแต่แล้วก็ถ้าเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางก่อนจะเดินทางให้อดีฐานจิตนะห่างอัราคูปธรมมสงฆหนี่ขอให้ได้หลุดล่าปลอดภัยด้วยประการใด อ, อมีพวกเราเคย ปฏิบัติยกตัวอย่างคนหนึ่งเขาอธิฐานี้ก่อนก่อนจะลงเจากบ้านแล้วก็ขับรถออกมาเอามาเปิดประรตูบบรถปรากนรถไม่จีบเลยไม่ได้ไปแล้วเขาก็มาดีใจที่หลังว่าไอ้ที่รถมันเสีย โดยที่เขาไม่รู้เหตุเนี่ยแต่เจ้าตัวนะเขารู้อย่างนี้เขาคนรุ่นใหม่นะไม่ใช่คนรุ่นเก่านะผมนะไม่รู้หรอกไม่รู้รายละเอียดแต่เขาบอกว่ารถเขาเนี่ยมีแม่ยนางเระว่างั้นนะเขาเห็นประจํารถเขด้วยก็คงยังมาทําให้รถเสียแล้ววันนั้นมันเกิดเหตุเพลียภายรายละเอียดผมจําไม่ได้นะที่ทําให้เขาดีใจว่ารถมาเสียในตอนนั้น อ่าอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอธิษฐานที่นี้ถ้าเราจะนึกนงาก่ายๆก็นึกแค่นี้ก็พออธิษฐานอย่างเงี้ยจะมีส่วนช่วยทําให้เราปลอดภัยแล้วถ้าในระหว่างที่เราอยู่ในรถเนี่ยเดินทางอันนี้ผมทําอยู่เสมอกระแสจิตเนี่ยออกไปเป็นยูมเป็นใ ย, ยที่เราสร้างมโนภาพในทุกอย่างอนะบางทีก็หาย ใ, ใจใช้ลมหายใจ เป็นโยงเอาจะร่วงไม่ใจเอาไว้ไจะใจก็ได้คุ้มครองรถทั้งทั้งคันและทุกคนที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันขอให้ปลอดภัยนะแล้วขอเส้นทางที่เราจะไปถ้าเรากําหนดล่วงหนะ้านี่ก็ยังจะได้มีเหตุเพศไปแก่บุคคลผู้ใช้เส้นทางนี้ต้องขอปลอดภัยดีเมื่อคืนก็ก็กนะเหมือนกันเจอรถติดรเอ่อมอเร์ไซ รถป๊กอับรถจักรยานเหการขถนนเลยนีย่จะไม่มีคนเป็นไรแต่คนเดียว เ, เราก็ไปนึกเห็นเหตุการแล้วก็นึกโม่ขออย่าได้เป็นอะไรก็สงใจอยู่เหมือนกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยอย่างนี้เราก็นึกอธิษฐานอย่างนีเ้เราไม่รับประกัน นะนี่พูว่าไม่เราไม่ต้องนึกในทางรับประกันความสำเร็จแต่การที่บุคคลนึกอย่างนี้แกต่ตนเองและคนอื่นเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นบารมีที่จะกลับมาคุมของตัวเองได้ในทางบุญในระยะยาวต่อไปด้วยอันนี้เป็นอันหนึ่งหรือในการเดินทางไปในที่ร ก, กรกร้างก็เหมือนกันบางทีก็ เราจะเดินไปอย่างเดินมุ่นมืดเนี่ยในที่เปลี่ยวในที่เป็นอันตรายเราเขา้าอาจจะกําหนดลมหายใจเนี่ยใช้ลมหายใจที่หายใจออกหายใจออกที่ยงก็ลุ่งไปเป็นเส้นๆนะปัดควาดควากหนางงูงิ้วเกี่ยวคอที่อยู่ในที่นั้นให้หลบให้พ้นไปจากที่แห่งนั้นแล้วเราก็เดินไปถ้าที่ไหนก็ดูขับขันแล้วก็ ไม่ค่อยมากมเะเกเดจะเป็นที่อบอุ่นคือนี่นผมผมย้ำอีกครั้งว่าการอธิษฐานแล้ว ไ, ได้ไม่ได้เนี่ยถ้าคนฝึกสมาธิอธิษฐานอาจารย์ได้มาที่นะยังมีผลมากและจะรู้ได้คำตอบแก่ใจตัวเองว่าได้ไม่ได้จะบอกเลยใจจะบอกเลยความอุ่ใจจึงก็นึกการจะไปเจรจาความอะไรก็ตาม เราก็าจะทำบุญทานอย่างนี้ผมจะมาคู้นธรรมะเนี่ยผมก็จะทําเสมอมานั่งไม่ได้เคยมานั่งเออการเทศวันนี้จะมาคุ้นขอให้คนตีกันเทศออกมาไป <c oughs> เคยมายืนว่าไม่ได้ตีอยู่แล้วแต่มาอธิษฐานแล้วเราก็ไม่เราโมบอ่ะโอ้ขอให้คนมามื่อ้าโมดิน ไม่เคยคิดไม่ละไม่มีความคิดละโมบอย่างนั้นแต่อธิษฐานว่าขอให้เมื่อเราขึ้นไปพูดเนี่ยขอให้มีจิตใจแจ่มใสร่างกายกระพี่กระเรั่งแสดงธรรมะได้ถูกต้องเป็นประโยชน์ทำให้คนเข้าใจและเมื่อคนได้ฟังธรรมแล้วก็ขอให้ได้รับความบันเทิงความสุขในธรรมเกิดความเจริญงอกงามด้วยคุณความดี เรื่องหาแทงข้อทํานั้นๆแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาแม้ที่เราถ้าจะพูดเปิอพูดผิดเราก็ขอให้เรารู้นะในเดี๋ยวนั้นหรือในเจ้าไปก็ตามนั่เนี่ยยืนยันว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้จริงๆไม่เคยคิดจะมาหลอกหลงเออเราแกล้งพูดอะไรผิดๆเขาจะได้งอจะได้หลงเลยเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเราปรารถนาอย่างนี้เป็นปกติ แล้วก็ทุกที่ที่จะไปพูดไปจาเราต้งรู้สึกว่าเราเบาไม่มีพันตนาการนะไม่มีพันธนาการอะไรจากใครทั้งนั้นเลยความโปร่งความเบาของจิตที่เกิดขึ้นอันเนี้ถ้าท่านมีหน้านะที่อย่างอื่นมีขีดอย่างอื่นก็อธิษฐานได้และอย่าลืมว่าต้องเพ่งไปที่คนอื่นแล้วจะเพ่งเขามาหาเราคือเราต้องสองเท่าไม่ได้กันนะทํามาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่จะไปจ้องแต่คนที่พอมีแววจะโกงราคาได้หรืออย่างพู้ค้าที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนะเราก็อธิษฐานเปิดร่างจะมาอาธิษฐานไม่ต้องเอาแอบงค์มาฟาดของไม่ค่ะที่เราเห็นนะแม่เราไปซื้อไอ้เราไม่ซื้อเจ้าหลอก น, นะแม่ฟาดเลยอ่ปะปะปะปะป ะ, ปะ ไปรู้ว่าศาสตร์เราเป็นยงไงแม้แต่ด้ อ, อ, ยอยเอวเวลาหยิบของให้เราเนี่อย่างที่ว่าขายส่งมือแม่เลี้ยงให้ลูกนาใหญ่หไปข้างหลังลูกเล็กวันจาอยู่้งยุดใส่ทับใจทับขาดลูกมีแตลูกเล็กมีแต่มาเดีมาใส่กัอย่างนี้ทำลายตัวเอง จ, จ, จ, เ จ, จ, เจะจะเริญไม่จะเล่ยากจะเลินก็มา่จะเล่นดีไม่เป็นความหวัสุดไม่เป็นที่รักของลูกค้า น่าเอ๋อละก็พอดีเวลวาเลยขอรู้สติเจ้าีนะ